นวส ก, การพระกุณเจ้าที่เคารพแล้วก็นุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกทุกท่านรวมทั้งผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้จัดงานนั่งตามสบายนะ <c oughs> อย่าทำตาแข็งๆทำตาแข็งใจมันก็แข็งด้วยนะทา ชีวิตให้ผ่อนคลายวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นวันพระเป็นวันพระที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าวันอาสาหะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง ปฐมเทศนาคนไทยเขาเรียกว่าเทศกันแรกที่ชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรว่าวยเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเคยได้ยินไหมทางสายกลาง แล้วก็เป็นวันสำคัญยิ่งที่ว่าพอเทศทางสายกลางจบนะก็มีพระอัญญาโกลธัญญะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมตัวเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสน า, นาคือท่านอัญญาโกณทัญญะ เป็นวันที่เรียกว่าเป็นองค์รวมของพระพุทธศาสนาที่มีครบองค์ประกอบถึงสามส่วนด้วยกันที่ครบเป็นพระรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกนี้วันอิบักที่สำคัญมาก ทุกท่านก็ได้บางได้บได้ไปทำบุญมา <c oughs> อันนั้นคือการทำบุญจากการให้ทานแต่วันนี้ที่กำลังมาณัฐนี่บางท่านอาจจะไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ไปให้ทาน <c oughs> แต่ว่าการฟังธรรมะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นบุญกิยาวัตถุอีกบุญหนึ่งเช่นเดียวกัน บางครั้งการทำบุญให้ทานอาจจะทำให้เราไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็ได้แต่การฟังธรร ม, มะมีโอกาสที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ถ่าอัญญากลทัญญะหรือปัญทวกีทั้งห้าบรรลุพระอาหานได้ก็เพราะว่าฟังธรรมโดยเพราะเรื่องเทศกันแรกปฐมเทศนา ไปวันแห่งพระธรรมกงล้อพระธรรมเนี yeah. ่ย yeah. เริ่มหมุนในวันนี้แหละ <c oughs> ฟังดีดีนะ yeah. บางท่านฟังแล้วมีการใส่ใจใค่้ครวรพิจารณาอาจจะมีดวงตายเห็นธรรมได้คนทุกคนมีติทีิจะบรรลุธรรมได้ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตแค่กับพิตาก็เป็นพระโสดาบันก็ได้ yeah. <c oughs> ไม่ต้องทำเป็นกระพริบตาหรอกทุกนาจิตมีสิทธิ์ได้นะที่หยุดระยะนิไว้นี่ก็เพราะว่าเผื่อมีใครจะเห็นม้าง mm. เห็นทำและพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาถพราว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเหมือนกันที่เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราชาวพุทธ ได้มีการทำบุญให้ทานมีการฟังธรรมสารพัดอย่างวันนี้เราไม่ได้เริ่มต้นในการให้ทานพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสโอกาสมีทุกวันถ้าใจาเราพร้อมที่จะฉวยโอกาสตรงนั้นอย่ารอโอกาสบางทีหมดโอกาสพรุนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้บาเพ็ญทานศีลภาวนา แล้วที่สาคัญ ก, ก็คือการภาวนาการภาวนาเป็นการปฏิบัติธรรมทางสายกลางอย่าให้พลาดโอกาสตรงนี้นะโดยเฉาะเรื่องการภาวนาการภาวนาอย่าไปสงสัยว่าคือการต้องมานั่งบนพึมพำพึมพันสมารางังพุทโธไม่ใช่ <c oughs> การภาวนาคือการทาจิต ให้เจริญภาวนาแปลว่าความเจริญถ้าใครเห็นว่าชีวิตเราไม่ค่อยเจริญไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นภาวนาหรอก <c oughs> เราภาวนาอาจิตใจเราซะมันก็มีการเจริญจิตเจริญใจนะพอจิตเจริญเดี๋ยวชีวิตมันก็เจริญมันของคู่กันชีวิตจิตใจนะ เขาเลียกชีวิตจิตใจไม่ใช่ชีวิตร่างกายส่วนเดียวชีวิตจิตใจถ้าใจไม่เจริญร่างกายมันก็จะเจริญไม่ได้ภาวนาไปว่าทำให้เจริญแล้ว่าทางด้านจิตใจทำไมนึงมีการภาวนาทำไม่เจ้ามีการทำจิตให้เจริญอันนี้สำคัญมากนะ เหมาะสหรับทุกๆคนที่จะต้องนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันการภาวนาคือการทำดีให้เจริญเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแปลกใหม่นอกจากมีความรู้ตัวมีรู้กับมีตัวนะไม่ได้มองนอกตัวที่ไหนเลยพัฒนาที่ตัวเราคือรู้ตัวภาษาไทยแท้ๆคือรู้ตัวภาษาแขค่ ก, ก็คือภาวนา ภาษาฝรัาา่งเยส awareness นะนะภาษาญี่ปุ่นก็มีแบบหนึ่งจีนก็มีแบบหนึ่งแต่คนไทยเราใช้รู้ตัวใครไม่เ ข, าเข้าใจคำว่ารู้ตัวบ้างเรามีตวัวเรามีจิตมีจิตกับมีตัวเราเนี่ยทุกคนมีความรู้ตัวทั้งนั้นแหละเพียงแต่เราไม่ได้ใส่ใจ เรามองนอกตัวตนรืมตัวถ้าเรามองที่ตัวเราเราก็จะมีความรู้ตัวรู้ตัวไปทำไม <c oughs> มันจะมีคำถามแล้วเดี๋ยวผมก็ตอบเอง <c oughs> ช่วยกันบางคนยังตั้งหลักไม่ได้รู้ตัวเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อทาจิตใจให้เข้มแข็งให้จิตใจมีพลัง คนที่หมดกำลังจิตจิตอ่อนกำลังเนี่ยมาปั๊มจิตปั๊มใจเติมปั๊มใจด้วยกันรู้ตัวเดี๋ยวจิตจะมีกำลังมีกำลังใจมีชีวิตชีวาเป็นชีวิตที่มีชีวาไม่ใช่ชีวิตที่หมดชีวาต้องอาศัยชีวะมันจิตะมีชีวาไม่ใช่ชีวิตชีวาคือมีความรู้ตัวทำให้จิตใจี้ เข้มแข็งมีพลังพลังจิตสร้างได้ด้วยความรู้ตัวเนี่ยเป็นปั๊มจ่ายกําลังใจคือความรู้ตัวเพื่อจิตใจนี้เข้มแข็งไม่ให้หวันวายไปกับอารมณ์ของโลกเนี่ยอารมณ์ของโลกจะมายั่วยุให้จิตใจเราเนี่ยหลงโลกน แต่ถ้าเรามีจิตเรามีกำลังแล้วจิตจะไม่หลงไปกับโลกไม่หลงไปกับอารมณ์นะหลงโลกเป็นยังไงคือหลงอารมณ์อารมณ์ที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นคืออารมณ์ของโลกนะแต่ถ้าจิตใจเรามีพลังมีความแข็งแรงแล้วก็ อารมณ์ของโลกจะทำให้จิตใจเราเนี่ยลุ่มหลงเพลิดเพลินไปไม่ได้เขาเรียกว่าอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกขึ้เนเหนืออารมณ์เหนืออารมณ์เนี่ยถือว่าเหนือชั้นมันไม่มีทุกข์หรอกคนอยู่ใต้โลกใต้อารมณ์ของโลกเนี่ยมันก็จะมีแต่ทุกข์ล่าไป เห็นไหมที่เราเป็นทุกข์นอนไม่หลับหน้านิ่วคิ้วกระม้วดมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายแล้วจ่ายเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าเราติดอยู่ในโลกหลงโลกโลกมีแต่ความแปรปรวนแต่ถ้าจิตใจเรามีความเข้มแข็งมีกําลังเยอารมณ์ทั้งหลายจะไม่บีบคั้นจิตใจเราไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เหนืออารมณ์้นเหนือโลกคนเหนือโลก ไม่ใช่ไปยืน อ, อยู่ข้างบนคนเหนือโลกก็คือจิตใจที่อยู่เหนืออารมณ์อารมณ์ของโลกไม่สามารถจะบีบคั้นจิตใจให้เป็นทุกข์ได้เนี่ยวันนี้เขาให้ผมมาพูดเรื่องอะไรยุทธวิธีปลดแอกชื่อดูมันจะหวือหวาไปหน่อยนะว่าไข่หนอตั้งชื่อนี้ยุทธวิธีปลดแอก เอาคุณหมอโดลยาเหรอเอาปลบมือให้หน่อยครับออตอนแรกฟังชื่อแล้วอยากจะเลิกพูดจะแต่พอพ อ, พอดูแล้วเออมันท้าทายมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหม่ต่อชีวิตเราเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเนี่ยบางคนไปเจอเรื่องใหม่ที่พผ่านมาชิดปั๊บโอ้โหนี่ใหญ่โตเหลือกเกินเราแย่แล้วมั้ง เปลี่ยนใจซะอะไรต่างที่ผ่านมาชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันคือเรื่องใหม่เราต้องเรียนรู้ต่อไป ย, ยุทธวิธีปลดแอกเนี่ยมันก็น่าสนใจเข้าใจคาว่าปลดไหมแล้วแอกอะ่ะแล้วปลดนี่ไม่ยากนะเราเคยถูกปลดหรือเคยปลดใครมาแล้วเนี่ยเราก็ย่อมรู้ดี ไอแต่แอกเนี่ยมันต้องอธิบายกันนิดหน่อยเราลองนึกถึงแอกเนี่ยคือสิ่งที่มาวางไว้บนบ่าสิ่งใดถึงที่วางไว้บนบ่าเนี่ยมันคือแอกนั่นเออย่างเช่นอะไรวัวเทียมเกวียนใครไม่เคยเห็นวัวบ้าง วัวเทียมเกวียนนไมเนี่ยไอ้ที่แอกของเกวียนเนะี่ยอยู่ด้านข้างที่มันที่พาดอยู่บนหลังวัวนั่นแหละเขาเรียกแอกงนะั้นนะแอกมันแบกอยู่บนบนคอวัววัวจึงหมดอิสระภาพควายเทียมไถนีไอ้ที่มันพาดอยู่บนคอของควายนั่นแหละเขาเรียกว่าแอก มันก็ไม่มีอิสระภาพและสิ่งเหล่า น, นั้นน่ะทั้งัวทั้งควายไม่มีใครไปแสแอกให้มันเลยนอกจากคนเรามันก็ปลดเองไม่ได้มันไม่สามารถจะปลดแอกเ้าตัวเองได้ต้องอาศัยเจ้าของมันจึงไม่มีอิสระนั่นแหละเขาว่าแอกอาจจะมีความหมายมากกว่านี้อาจจะมีการอธิบายมากกว่านี้ แต่แค่นี้คงจะเข้าใจเนาะสิ่งที่มาพาดไว้บนบ่าบนคอเราเรียกว่าแอกนั่นคือบัวควายหรือสัตว์เดรัจฉานคนเราก็มีแอกเหมือนกันนะ <c oughs> นึกดูให้ดีแต่แอกของคนเราเนี่ยคือแอกอารมณ์แอกอุปาทานมาหน้าที่ทต่างๆ ที่มันพาดไว้ที่จิตใจเรามีไหมแอกอารมณ์หรือแอกความคิดแหก ข, ของอุปาทานมาพาดไว้ที่จิตใจเราทำให้จิตใจเราเนี่ยไม่มีอิสรภาพก็คือเป็นทุกข์เรียกคนแบกโลกแบกอารมณ์แบกความคิด แบกมาหน้าทิฏฐิตัวตนของ ต, ตนทิฏฐิของเราเนี่ยตัวเราเราถูกคนเดียวในโลกนี้มันมีใครพูดเหมือนเราเราดีกว่าเขาเนี่ยพวกแอกตั้งนั้นแล้วมันหนักอะ่ะพอมีแอกคล้องใจแล้วมันหนักทันทีเลยเนี่ยแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากปลดบางทีบางทีก็ปลดเหมือนกันะ่ะ กดระวางไว้แล้วก็เอามาแบกใหม่วางไว้ชั่วขณะแล้วก็มาแบกใหม่นี่ยแอบอารมณ์นะแอกความคิดแอกอุปาทา น, เ, นเวลาเราเจอสิ่งที่ชอบใจอารมณ์ที่ดีดใจชอบใจเราก็ไปหลงไหลไปกับอารมณ์นั้นนี่แหละเรียกว่ามีแอกเรียบร้อยแล้วสนุกสนานทีฮะเวลาไม่ชอบใจก็เศร้าหมองนะ มันก็เป็นความทุกข์ที่เราจะต้องเข้าไปแบกไว้ทั้งนั้นแหละ yeah. Yeah. เจอความชอบใจเราก็ต้องทำตามความชอบใจเช่นความอยากเนี่ย <S <S อยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งล้วก็ต้องมุ่งหาเกิด <Yeah. S 1> ความอยากครั้งแรกสติรู้ไม่ทัน <Yeah. S 1> เขาเรียกเราแบกอารมณ์นั้นไว้แล้วแบกไว้เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> แล้วต้องพยายามเอาให้ได้ด้วยชอบติดกาเอาให้ได้ หาซื้อมาให้ได้ต้องกินให้ได้เนี่ยต้องให้ได้ให้ได้เพื่อตังใจเราเนี่ยก็เรียกแอกอุปาทานเข้ามาสู่ตันนี้ก็ยากมากแล้วมันก็หนักไม่มีสารภาพถ้าไม่ได้่ังใจล้วก็โกรธอารมณ์ที่มีดีมาเราก็โกรธไม่พอใจหมกบุนอยู่ไปกับอารมณ์แล้วต้องยึดติดด้วยนะยึดติดด้วยนะเรียกว่าถ้าโกรธเมื่อไหร่ต้องไปว่าต้องไปดา่า ท้าไมว่าไม่ดา้านอนไม่หลับนั่นเกิดอุปาทานเกิดทิฏฐิมานะนก็แบ ก, กไปตั้งแอกทั้งแอกอารมณ์แบกแอกอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแนอารมณ์แล้วก็แบกโลกแบกอารมณ์นะก็ทุกข์หนักอยู่ในโลกนี้เห็นไหมเราเคยสังเกตไหมเวลาที่เราคิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นมานะลองึกดูใจแล้วนะนักดูจิตนักดูจิตอย่าไปดูจิตใคร อ้าดูจิตของเราเนี่ยมันแน่นอนตลอดเกินเวลาเราเกิดความวิตกกังวลเคยกังวลไหมไหนใครโกหกว่าไม่เคยกังวลบ้างมีความกังวลหรือมีความโกรธหรือจิตเรามองโลกในแง่ร้าย หรือเราคิดจะเบียดเบียนใครอยากได้อะไรสักอย่างหนึง่งเนี่ยจากคนนุ้นคนนี้อยากเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ย <Yeah. S 1> เรียกร้องความอบอุ่นเคยสังเกตจิตนะตอนนั้นมันมีน้ำหนักมากจิตมีน้ำหนักมากรู้สึกมันหนักอกหนักใจเหลือเกินนี <c> ่ <oughs> ใช่ไเอาแค่กังวลเรื่องเดียวแค่วิตกกังวลเรื่องเดียวเนะี่ยใจเราเบาหรือใจเราหนัก คนดูจีก็จะรู้ว่าอูห้หนักหนักนวงหนักนวงเนี่ยแหละเราแบกแบกอารมณ์ไม่เรียบร้อยแล้วแลวมันก็หนักนะหนักแล้วเราก็พยายามจะปลดมันออกแต่เราปลดมันไม่เป็นไม่มีวิธีการให้เปรียบเทียบกันระหว่างว่าเมื่อกี้นี้อารมณ์ไม่ดีใช่ตอนนี้อารมณ์ดีเวลาอารมณ์ดีเนี่ยเราเคยคิด อยากจะให้ของใครไหมอยากจะบริจาคอะไรสักอย่างให้คนอื่นเขาตอนนั้นจิตเราเป็นยังไงดีผ่อนคลายกระตือรือร้นอยากจะให้อยากจะช่วยมันจะรู้สึกเบาๆสังเกตไหมจิตเราจะเบาเบากว่าจิตที่วิตกกังวลหรือกโกรธหรือเรามองโลกในแง่ดี โอ้ไม่เป็นไรหรอกสบายมากเรื่องแบบนี้เรื่องจิ๊บจ้อยนะใจะเราจะเบานะเบาวกว่าคิดว่า yeah, แย yeah, ่แล้วแย่แล้วเราไม่ไหวแล้วเราเขาบอกไม่ไหวปั๊บติดเราหนักทันทีมีน้ำหนักเลยเพอไม่เป็นไรปั๊บติดเราเบาเลยสองคำนะไม่ไหวก็ไม่เป็นไรในตางกันนะมันไม่เหมือนกันนะ <c oughs> แต่มันไม่ไหวแต่มันไม่ไหวะ <c oughs> กับแม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะใจจะเบาจะรู้สึกว่าจิตตอนนั้นเี่เบามากเนี่ยคือการดูจิตง่ายๆจากชีวิตของเราเนี่ย <c oughs> มองโลกในแง่ดีหรือคิดอะไีดีๆคิดจะช่วยเขาเกือ้อกูลเขาจิตเราจะเบาแต่เราก็ต้องแบกอยู่เดียเ <c oughs> บาก็ต้องแบกใช่ไ้ย เราก็ต้องแบกไปอยู่ดีแล้วก็มันมันเบาเนี่ยมันสนุกแล้วเราไม่รู้นะว่าเราแบกอารมณ์ความเบาวความดีเอาไว้มันก็หนักหนักแบบเบาเบาหรือมืดสีขาวเขียนว่าหนักแบบเบาๆความมืดสีขาวเนี่ยมันมืดแต่มันมีความขาวอยู่นั้นบางคนอาจจะไม่ชัดเจนเหล็กหนึ่งกิโลหนักไหม ไม่อยากถือถ้าเพชรทองหนึ่งกิโลนะ่ะหนักไหมแต่เราอยากถือนะมันก็ต้องแบกยู่เหมือนกันนะเหล็กหนึ่งกิโลมันก็หนักหนึ่งกิโลนะแต่เพชรทองหนึ่งกิโลมันก็หนักแต่มันก็อยากจะแบกตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกมือสีขาวความเบาในความหนักวิ จ, จิตใจเรามันก็ต้องแบกทางนั้นแหะ จะทำงางจิงจะวางจากไอ้สองติ่งเนี่ยวะถึงแม้จะเป็นคิดดีหรือคิดไม่ดีเนี่ยทำไงที่จะวางต้องนั้นได้ถ้าวางได้หมายงก็ปลดแอกอารมณ์แอกอุปทานได้อย่างมันอิสระเขาเรียกเหนือความเบานะเบาเบาเบาอยู่เบ า, เ, บ า, เ, บาเนี่ ย, ย, ยพออย่างสองคว น, น, บวบวนเบาเบาอีกโหนี่แล้วเบามาก เบาหิวไรายน้ำหนักจิต ท, ที่รายน้ำหนักมันก็เป็นจิตทีอิสระเราอย่าไปคิดเลยคิดเมื่อไหร่หนักมนนื่นั้นมันไม่เห็นแล้วจนกว่าจะวางได้เมื่อไหร่ก็เออโล่ง อ, อกไปทีนะเบา อ, อกเบาใจเย็น อ, อกเย็นใจเป็นภาวะของนิพพานมันมีอยู่ในจิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรารู้จักวาง ทําจําเป็นต้องทําความดีแต่เราต้องวางทําแล้วก็วางอย่าไปยึดว่าทําดีแล้วเราต้องดีเราดีใครไม่ดีเหมือนเราเนี่ยเราดีทําไมไม่มีก็ไม่มีใครชมเรามันก็หนักอี <c oughs> กหนักอยู่ในความดีทําแล้ววางซะจิตเราจะไปอิสระอยู่เหนือดีเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่คือการฝึกจิตให้มีกำลังให้เข้มแข็งจิตจะได้เปอิสระคือการปลดแอกง่ายๆให้เริ่มต้นในช่วงที่เข้าบรรษาเนี่ยทุกคนมีโอกาสนะเรามาเข้าบรรษาแบบปลดปลดแอกอารมณ์แอบขาอุ ป, ปทานโดยสายการภาวนาคือทางสายกลางเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนบางคนที่จะต้องเริ่มต้นเป็นเรื่องใหม่สาหรับเราเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โจทยเรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันการภาวนาคือการมารู้ตัวใช้ชวิตแบบรู้ตัวทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยรู้ตัวทําด้วยความเคยชินทําไปแล้วจึงมารู้ตัวทีหลัง พูดไปแล้วทําไปแล้วมันรู้ตัวหลังว่าเราไม่น่าเลยก็มีเพราะเราไม่รู้ตัวก่อนที่จะทําไม่คล้คลวนมันมันจะมีปัญหาเนีย่ยลองมาเริ่มต้นที่พรรษานี่นี่เราจะมาฝึกที่จะปลดแอกชีวิตให้มีจิตใจใอิสระให้ชีวิตอิสระเด้วยการมารู้ตัวเป็นทางสายกลาง นิกายพเจ้าได้ตัดเอาไว้มาชิบาปฏิปทาความรู้ตัวเนี่ยทำที่ไหนทำที่วัดอุโมงหรือนะหรือที่วัดรําเปิงหรือที่บ้านหรือที่ที่ทำงานหรือที่คอสการปฏิบัติทำที่ไหนความรู้ตัว <c oughs> อะไรผมก็จะตอบเอง <c oughs> ไม่อยากถามกดดันคนบางคน ความรู้ตัวก็ทำที่ตัวเราสิถ้าเราไม่รู้ตัวเราจะไปรู้ตัวใครรู้ตัวคือทำที่ตัวเราตัวเราอยู่ที่ไหนก็ทำที่นั้นสถานที่ไม่เกี่ยวความรู้ตัวเนี่ยทำได้ทุกเวลาจะนั่งก็ทำได้เรานั่งตอนนี้ถ้ารู้ว่านั่งมันก็รู้ตัวแล้วใจไม่เลื่อนลอยเป็นไหนอยู่กับการนั่งก็รู้ตัวแล้ว เวลานอนก็รู้ตัวได้ยกเว้นเวลาหลับบางคนบอกเวลาหลับก็รู้ตัวนะก็รู้ตัวแต่มันรู้ไม่จริงมันฝันว่าเรารู้ตัวรู้ตัวในความฝันนะ่ะมันก็หลงไปแล้วหลงว่ารู้ตัวที่แท้เราก็ฝันว่ารู้ตัวเดินก็รู้ตัวได้ยืนเราก็สามารถรู้ตัวได้ จะทำแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความรู้ตัวตอนนั้นภาวนาได้ทางนั้นนะเป็นการปฏิบัติทางสายกลางได้ทางนั้นนะทำที่ไหนทำที่ตัวเราที่กายที่มันเคลื่อนไหวที่ใจที่มันคิดนึกเนี่ยเราทำความรู้ตัวได้ย้วเวลาเมารู้ไม่ได้เวลาหลับรู้ไม่ได้เวลาสลบก็รู้ไม่ได้ คนบ้าก็รู้ไม่ได้คนตายก็รู้ไม่ได้บุคคลเพเทนี้ต้องสงวนเอาไว้ให้เขาหลงไป <c oughs> ความรู้ตัวต า, ามที่ไหนแล้วก็ทำเมื่อไหร่ทำเมื่อขณะปัจจุบันถ้ามีปัจจุบันเมื่อไหร่แล้วก็เรามีความรู้ตัวได้ อดีตทำไม่ได้แล้วอนาคตก็ยังทำไม่ได้เพราะยังมันยังไม่มีอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วล้มละลายไปแล้วเป็นความฝันไปแล้วเป็นความทรงจํารู้ตัวไม่ได้อนาคตก็ยังไม่มียังมาไม่มาถึงก็ยังรู้ตัวไม่ได้เป็นแค่ความคิดแต่ณนะปัจจุบันนี้เฉพาะหน้านี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เรารู้ตัวได้ รู้ว่าเรากําลังนั่งทําอะไรอยู่ขณะนี้ปั๊บมีความรู้ตัวเกิดขึ้นทันทีเลยนะง่ายมากนะนะตอนแรกก็ง่ายรู้ที่ตัวเราที่สอนยิง่ายอันนี้สามยิ่งง่ายไปอ่งงปะอรู้อย่างไรนี ง, ง่ายอยู่เนยจากง่ายไปหาง่ายเลยเนี่ยรู้อย่างไรก็รู้ตามธรรมดาตามธรรมชาติ รู้แบบไม่ต้องคิดอะไรแค่รู้ว่านั่งก็จบ <c oughs> จบลงที่รู้ว่าเราทำอะไรเราเองจบแค่นั้นนะ <c oughs> แล้วก็รู้าใหม่นะรู้แบบธรรมดาแบบธรรมชาติอย่าไปเพ่งอย่าไปคอยจังหวะอย่าไปไม่ต้องแค่รู้ว่านั่งก็จบรู้แบบไม่ต้องคิดไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปกำหนดอะไรไว้แค่รู้ก็จบจบลงที่รู้ผลเกิดที่รู้ เราจะรู้เป็นนานแค่ไหนอ่ะก็รู้ไปเรื่อยๆดิจนกว่าจะไม่มีความหลงรู้ไปเรื่อยๆรู้จนสิ้นลมก็ได้ะรู้ไปเถอะใหม่ๆก็ตั้งใจรู้หน่อยขนาดเข้าเนี่ยมันก็จะรู้ไปเองรู้ไปเองใหม่ๆก็ต้องสอนจิตให้มันรู้ก่อนมันรู้นะรู้นะมันเคยหลงไปนานมันรู้มันรู้ไว้ จิตว่าเคยจิตที่จะรู้รู้แล้วก็รู้เองโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจก็รู้ไปเรื่อยเื่ให้มันต่อเนื่องยิ่งต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ยิ่งดีอ่ะคาว่ายิ่งดีนะเนี่ยถ้ามันไม่ต่อเนื่องไม่ก็ไม่เป็นไรนะก็รู้ใหม่ <c oughs> รู้ไปเรื่อยเรื่อยรู้จนสิ้นลมนั่นแหละเพราะสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมเนี่ยเราต้องรู้ไหมถ้าเราไม่รู้ก็หลงนะ <c oughs> ก็รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้ไปเองความหลงก็จะหายไปเองเติมรู้เข้าไปอย่างเดียวนั้นหลงก็ไม่มีชีวิตเราจึงมีแต่รู้กับหลงถ้ามีรู้ไม่มีหลงถ้ามีหลงมันก็ไม่มีรู้มีแค่หนึ่งเดียวเนี่ยเราก็เลือกรู้ไว้ตะแล้วมันต้องไปไล่ความหลง <c oughs> มันมีความมือดอยู่ถ้าเราเปิดไฟปั๊สว่างปับ๊บความมืดมันก็หายไป รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเนี่ยเมื่อรู้แล้วก็ไม่หลงนะไม่หลงลืมตัวพอใช้ชีวิตแบบไม่หลงลืมตัวมันก็จะห่างไกลจากความทุกข์เวลาเราเป็นทุกข์เพราะเราหลงลืมตัวทางนั้นแนะ่ะหลงไปคิดเนี่ยหลงไปปรุงแต่งหลงไปโลภหลงไปโกรธนั่นแหละเพราะเราไม่รู้ ผลมันคือทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเรามีความรู้ตัวเนะี่ยจิตมันจะเป็นปกติมันจะเป็นสายกลางความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเพราะอยู่ณะปัจจุบันขณะปัจจุบันทุกข์ไม่เกิดวิธีการออกจากความทุกข์ง่ายๆคือมารู้ที่ปัจจุบันรู้ที่ปัจจุบันความทุกข์ไม่เกิดเพราะปัจจุบันมันยังไม่เกิดอะไรถ้าจะไปคิดถึงอดีอนาคตเมื่อไหร่แล้วก็ความทุกข์ก็จะมาทันที เมื่อมีความรู้แล้วมันจะไม่หลงและมันจะไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์แล้วจิตมันจะมีความสุขจะมีความเบิกบานผ่องใสคนที่จิตไม่เบิกบานไม่ผ่องใสเพราะคลุ้นคิดในอารมณ์ที่ควรจะคลุค่นคิดมันก็เลยหลงลืมตัวไปหลงโกรธถ้ารู้ในปัจจุบันสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้คนที่เราโกรธเรื่องที่เราโกรดนั้นอดีตไปแล้วอดีตไปแล้ว ข้างหน้ายังไม่ได้โกรธปัจจุบันยังไม่โกรธแต่ถ้าคิดถึงอดิตปับ๊บโกรธทันทีเลยแบกอารมณ์แอกของความคิดแอกของอารมณ์เกิดเกิดมาจากที่เราคิดปรุงแต่งนั่นแหละลืมปัจจุบันมันจึงเป็นแอกที่ตามติดเรามาเนี่ยอันนี้แกเรารู้ตัวเราภาวนาในเป็นทางสายกลางอย่างเงี้ย เราสามารถนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจำปัจจุบันได้นะเนะี่ยแต่และคนในมีงานทำเอาเอาง่ายๆเอาที่ทุกคนมีงานทํามีงานในปัจจุบันจะต้องทํางานคนเราต้องทํางานนะบางคนบอกไม่มีงานทําแล้วอาบน้ำทานข้าวเนี่ยเป็นงานไหมเป็นงานที่ต้องทํางี้ยอาบน้ำทานข้าวแต่งเนื้อแต่งตัวนั่นเป็นงานที่ต้องทําทั้งนั้นไม่ใช่ว่างานนั่งออฟฟิศ ือนั่งหน้าร้านหรือกุดดินหรือหรือทำอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ใช่หรอกก็ทำจากงานปัจจุบันเนี่ยโดยปกติทำงานตามปกติแต่เราก็แทรกความรู้ตัวเข้าไปนะให้มันเป็นปกติยิ่งขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรใหม่หรอกแทรกความ รู้ตัวเข้าไปในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองเราก็ดีมีการปฏิบัติธรรมมีการภาวนามีการพัฒนาจิตในขณะในการใช้ชีวิตบางคนบอกไม่มีการทําปฏิเสธว่าเราจะทาอะไรอายกตัวอย่างการทานข้าวอา่ะไหนใครไม่ทานข้าวเราลองมีความรู้ตัวในการทานข้าวดูซิเนี่ยอายกตัวอย่างสักข้อหนึ่งซึ่งทุกคนก็ต้องทานอยู่ละข้าว อย่างขนาดทางข้าวเนี่ยพอพอเราจะทางข้าวเนี่ยมันจะต้องคิดแล้วเนี่ยสำคัญตรงความคิดเนี่ยการทำงานอะไรก็ตามมันเริ่มจากความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนของชีวิตเราใจเรามันอ่อนจุดอ่อนคือคิดแล้วก็หลงแม่ความคิดเริ่มต้นทำาไรไม่เคยรู้ตัวว่าเราเริ่มต้นทำเลยนะเราคิดไปก่อนแหละแล้วไม่รู้ตัว จริงพลัดหลงไม่กับความคิดที่เราปรุงแต่งเพราะด้วยความเคยชินลืมการเริ่มต้นทํางานเห็นไหมเคยสังเกตไหม า, ายไปก่อนแล้วมือก็ทํานะทํางานแต่เราไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรแต่เราคิดไปล่วงหน้าคิดล่วงหน้าหลายอย่างที่เราคิดแล้วอะไรทําแล้วก็ตามเนี่ยแต่สมมติว่าทานข้าวเอายกเคสทานข้าวมาก่อนนะการทานข้าวเนี่ย เราเราเคยเริ่มต้นจากการตั้งใจทานข้าวไหมพอนั่งโต๊ปับเราก็คิดแล้วเรากำลังจะทานข้าวแต่เราก็คิดไปสัก่อนแล้วเราลองมาตั้งใจลองตั้งใจทานข้าวมื้อนี้สิเนี่ยพอตั้งใจปับ๊บมันมีความรู้ตัวอยู่ในตัวเลยณปัจจุบันนั้นฐานของจิตเราเนี่ยต้องมาอยู่กับการทานข้าว เอาการทานข้าวมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจนั่นละคือมีความรู้ตัวเป็นการภาวนาเป็นทางสายกลางด้วยต้องเริ่มจากการตั้งใจทานก่อน <Yeah. S 1> เอามาเป็นฐาน mm hmm. มันต้องไปกำหนดทีละช้อนไม่ต้องนั่นละแดนงานเรากำลังทานข้าวพอแล้วรู้รอบๆสามแลาวสีวส่องศาว่ า, าลังๆทานข้าว รู้รอบๆอย่าไปรอเก็บตกตอนค่ําคืนโน่นไปรู้ตัวตอนสองตุ่มเก็บตกมันไม่ทันไปแล้วเริ่มต้นรู้ตัวเนฐานของเราอยู่รอบๆรู้รอบๆรู้ตัวต้องรู้รอบๆอย่ารู้จุดใดจุดหนึ่งถ้ารู้จุดใดจุดหนึ่งเมื่อไหร่เราก็เราเพ่งตัวเพ่งจิตมันก็เครียดรู้รอบคือรู้ตัวสติคือหน้ารอบรอบตัวเรา อนาบริเวณของการทานข้าวอนาคเป็นฐานพอเริ่มต้นตั้งใจที่จะทานข้าวเดี๋ยวมันจะมีความคิด <c oughs> แน่นอนเลยนะพอมันคิดถ้าเรารู้ไม่ทนันไม่เป็นไรหรอกอยากที่เขาคิดไปนะอย่าไปห้ามมันแต่รู้ได้ว่าเอ้นี่มันคิดเนี่ยมันจิตมันออกนอกฐานของการทานข้าวเสร็จแล้ว แค่รู้เพียงแค่นี้นะจิตมันก็ตั้งมัน่นเป็นปกติมีสติมีความรู้ตัวเป็นทางสายกลางเป็นปัจจุบันแล้วนั่นตรงนั้นได้แล้วนะแค่รู้ว่าเอานี่เราลืมฐานเนี่ยใช้ได้แล้วได้แล้วหนึ่งรู้แล้วทำอะไรต่อไปไม่ต้องไปวิจัยวิจารณ์ต่อแล้วก็มาเริ่มต้นอยู่กับฐานฐานข้าวใหม่ใ คำว่าใหม่เนี่ยคือเริ่มต้นขณะต่อไปไม่ใช่เอาช้อนกลับมารีเพลย์กลับหลังไม่ใช่ก็เริ่มรู้ว่าการทานใหม่ก็เลยมันเป็นมันเป็นเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เริ่มตรงจากปัจจุบันใหม่เห็นปัจจุบันใหม่ไหมเนี่ยนาฬิกาเนี่ยมันมีปัจจุบันใหม่อยู่เรื่อยมันไม่เคยมีปัจจุบันแล้วก็ถอยหลังอดีตชีวิตเราจะถอยหลังไม่ได้มันต้องเริ่มต้นไปข้างหน้านาฬิกาไม่เคยหยุดนิ่ง นากาหยุดนิ่งคือนาฬิกาตายนาฬกาถอยหลังคือนาฬิกาเตีย๋ยนายกาต้องปั๊บเดินหน้าไปเป็นปัจจุบันใหม่ๆนั่นคือชีวิตใหม่นาฬกาเคลื่อนไปติ๊กหนึ่งชีวิตนาฬิกาก็เป็นใหม่เราก็เหมือนกันเมื่อแล้วก็ทิ้งไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นตั้งฐานรู้ตัวต้องการทานเข้าใหม่ก็ได้อีกแล้วอีกหนึ่งสติแล้วไนหะ ได้ปัจจุบันได้สติได้ทางสายกลางจิตเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนั่นคือการปฏิบัติแค่ทานข้าวทำอย่างนี้เรื่อยๆไปมันจะหลงลืมไปก็ช่างหัวมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่หลงลืมไปก็แปรอดิตไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่าไปคิดย้อนอดีตนะวิตเรามันจะถอยหลังแล้วก็จะเศร้าหมองอยู่เรื่อยหลายคนจิตใจหมกมุ่นไปกับอดีตเป็นนาฬิกาที่ถอยหลัง เป็นเสื้อผ้าที่เก่ า, กาๆน้ำพริกถ้วยเก่าปล่อยมันผ่านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตเรามันต้องใหม่ชีวิตต้องมีการต่อยอดต่อยอดมันจะถึงสุดยอดคือต้องต่อยอดจะเปิดวันไปใหม่เรื่อย ๆ, ๆของเก่าก็ทิ้งไปทิ้งไปเรียกว่าปิดเป็นครูนผิดเป็นครูก็อ่อนี่คือผิด น, นะเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มเนี่ยแกเนี่ยเป็นการปฏิที่ทํานี้บ่อยๆครั้งก็ เราก็จะมีความเข้มแข็งจิตก็จะมีความแข็งแรงขึ้นมาทีนี้เทคนิคของการที่จะมาง่ายๆกับการมีสติไม่ลืมได้ง่ายอันนี้เป็นเทคนิคเป็นวิธีการต่างๆที่ช่วยในการเสริมเป็นอาหารเสริมของสติของการภาวนาเราจะทำอะไรทักอย่างนี้นเราจะทานข้าว เราก็ให้ทําทีละอย่างให้ทําทีละอย่างให้เตดทีละอย่างแล้วใหเริ่มต้นทําใหม่อย่างอื่นดีกว่าทําทีละอย่างอย่าทําทีลหลายอย่างแล้วมันจะสับสนฟุง้งซ่านแล้วมันก็เหนื่อยลหลายๆอย่างก็เหนื่อยมือสองมือให้มันช่วยกันไม่ใช่ทําทีละมือทำอีกมือทําใหญ่มือทุกอย่างไม่ให้มันช่วยกันช่วยกันทําในการงานในปัจจุบันนั้นการคานข้าว มันก็ต้องมีซ่อมมีช้อนช่วยกันทำทีละอย่างนะแล้วมันไม่ตับสนนะสติเกิดขึ้นได้ง่ายนะไอ้ที่สติเราสติไม่ค่อยเกิดเราลืมตัวเพราะเราทำเล่ละอย่างมันวุ่นวายตับสนไม่หมดบางทีไม่สาเร็จแต่ยางขลาการทำทีละอย่างในชีวิตเราทางข้าวก็คือทางข้าวเขากเดี๋ยวนี้ทางข้าวระหว่างทางข้าวไม่ให้ดื่มน้าเราว่กงั้นนะ มันจะละลายน้ำย่อยล้วก็เพื่อสุขภาพบาคนทานข้าวคำน้ํากล้วไม่รู้อิ่มข้าวหรืออิ่มน้ําทานข้าวก่อนเอาใจจยู่ใอยู่การทานข้าวนะเอาอย่างเดียวก่อนเม่ทานข้าวไปอ่านหนังสือไปทานข้าวไปดูทีวีไปทานข้าวไปคิดไปแล้วใจอยู่ตรงไหนอยู่กับความคิดอยู่กับหนังสือเรื่องราวต่างๆหนังสือเรื่องราวทีวี แล้วร่างกายมันจะทาหน้าที่ทานการย่อยอาหารก็จะย่อยย่อยไม่ดีมันจะอืด น, นะถ้าเราตั้งใจทานเนี่ยจิตใจจดจ่อบการทานข้าวเนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายได้ย่อยเาผาผลาญอาหารได้ง่ายบางทีเราทานอาหารหมดแล้วตาก็ดูทีวีอ่านหนังสือพูดคุยนึกคิดเราไม่รู้ว่าอาหารนี่อร่อยตรงไหนก็มีนะหมดชามแล้วของแพงด้วย บางทีงเราขอใหม่อีกหน่อยเมื่อกี้มันลืมนลวไข่เช้าลืมแล้วมันรสชาติยป็นไงทําทีลรอย่างขณะที่เราทานข้าวเนี่ยตั้งแต่ทานเนี่ยเราจะได้รับรสรสชาติอาหารเราจู้ดูว่าอาหารเนี่ยมันมีพลังหรือไม่อาหารที่เราทานเนี่ยมีมพลังหรือไม่สังเกตดูนะบางทีเราทานไปเนี่ยสังเกตดูป่ะอาหารนี้ไม่มีพลังเลยมันยาใต้แก้หิวแท้ แต่มันอย่างในทานปั๊บมันมีพลังเราจะรู้จักคุณภาพของอาหารที่เราทานเข้าไปอันนี้มีชุโรดหรือเปล่ามีสิ่งปลอมบนไม้ทานแล้วเป็นไงมีความรู้สึกตัวในการทานข้าวความสุขมันอยู่ตรงนั้นอย่าไปหาไกลเน่ยความสุขอยู่ตรงที่เรากาลังทําตรงนั้นแหละนั่นคือความสุขมันอยู่ใกล้ๆกับในโต๊ะอาหารนั่นเองเราลืมตรงนี้ไป เราทำาะไรหลายอย่างจะไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นชีวิตของเราแน่นอนแล้วก็การกระบวนการการทังข้าวมันก็จะไม่ค่อยดีจะมีปัญหาเราทำทีละอย่างจะมีสติได้ง่ายและที่จริงชีวิตเราเนี่ยก็ได้ก็ทำทีละอย่างอยู่แล้วใช่ไหมเราเคยมันมีหายใจเข้ากับหายใจออกเราเคยหายใจพร้อมกันไหมระหว่างเข้ากับออก มันก็ต้องเข้าแล้วก็ออกอือออกแล้วก็เข้าทันด้ทริอยา่างนั้งนัะนทำสองอย่างพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเรามันเป็นชีวิตเราจริงหรือเปล่าเราลองกลืนน้าลายแล้วก็หายใจดื้อสิเวลาเรากลืนน้าลายเราหายใจไหมเอาลองนี้เรากลืนน้าลายเอื้อมันจะกลั้นลมหายใจทำได้อย่างเดียวนะ เราดื่มน้ำเวลากลืนน้ำเราหายใจไหมเราต้องกั้นหลือไม่ใจนิดห น, นึ่งไม่จาเป็นต้องกั้นประสาทมันสัมผัสโดยอัตโนมัติมันกั้นเองมันทำได้ทีละอย่างทำได้ทีละอย่างเท่านั้นเวลาเราเคี้ยวข้าวกลืนอาหารลงไปเนี่ยเราก็ไม่ได้หายใจอันนี้คือธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนี่เราทานอาหารไปพูดไปสานักอาหารผมเนี่เกือบตายหลายครั้งเพราะว่า คุยแล้วก็ทานข้าวสำลักอาหารเกือบตายเขาลอดมาได้จึงมาพูดกันได้อย่างเงี้ยลอดมาเพื่อมาพูดบอกระวังนะผู้สูงวัยคนที่อายุเหลือน้อย <c oughs> ที่นี่ก็มีนะอายุยังน้อยนั่นเด็กๆบางคนอายุเหลือน้อยมันต่าง ก, กันนะอายุยังน้อยกับอายุเหลือน้อย <c oughs> ทางเข้าไปเผลอพูดคุยหรือเพลินไปไม่รู้ตัวเนี่ยมันสำลัก อ า, อาจจะตายได้ไม่ต้องรอไม้จิ้มฝันแทงเนือกมันตายตอนทานอาหารแล้วลืมตัวลืมตัวสำคัญนะต้องรู้ตัวในการทานข้าวพูดคุยไปดูอะไรเพลินๆหรือลืมว่าเรากำลังเคี้ยวหาและจะกลืนเนี่ยมันมีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้ไ ง, ง่ายๆเพราะการสำลักอาหารท่านทีละอย่างสติจะเกิดได้ง่ายมันจะไม่ค่อยหลงจะมีความสุข และอย่างหนึง่งเราลองทำชีวิตใหมันช้าลงสักหน่อยทำชีวิตให้มันช้าสักหน่อยเราทำอะไรอย่าเร่งรีบจนเกินไปเรารีบ <c oughs> เราทำอะไรด้วยความเร่งรีบด้วยความเคยจินสติก็ไม่เกิดนะมันฟุ้งซ่านแล้วมันเหนื่อยนะเราเรียกทำอะไรเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายทั้งใจใจก็เหนื่อยเพราะรีบ ให้มันเสร็จเพื่อจะไปทําต่อไปข้างหน้าให้มันเสร็จแล้วร่างกายเรามันทีมันไม่ทันใจเราหรอกใจมันจะไปใจมันจะไวัมันคิดไวัแต่ร่างกายเรามันไปไม่ทันมันจริงเหนื่อยทั้งกายหนือทั้งใจชีวิตเราจึงเหน็ดเหนื่อยมากตลอดชีวิตเราเหน็ดเหนื่อยเลยเกินจนตายเพราะเราเร่งรีบจนเกินไปนะ บางอย่างถึงคาวรีบก็ต้องรีบบางอย่างถึงขาวช้าก็ต้องช้าแต่เราไม่มีช้ารีบทั้งหมดบางคนช้าก็ช้าหมดทุกอย่างเลยไม่ทันกินดีมันต้องรู้จังหวะรู้ขณะว่าเราจะรีบเวลาไหนจะช้าเวลาไหนสติมันจะเป็นทางสายกลางทำให้เราได้รู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรอย่าไป ทำชีวิตให้มันวายตามความคิดความคิดบางทีมันมีกิเลสนาหน้ามันไวาไม่ได้หรอกร่างกายแล้วมันไม่ไหวแล้วถึงกล่าวรีบก็ต้องรีบถึงกล่าวช้าควรช้าอย่ารีบด้วยความเคยชินสติมันจะไม่เกิดเวลาทานข้าวจะไปต้องรีบไหมมันอันตรายนะนอกจากไม่ได้รับรสชาติอาหารแล้วมันเกิดอันตรายนะร่างกายก็ย่อยไม่ดีบางคน เอาข้าวใส่ป่ปาปป๊บเกลียร์ต้องทำเกินบึ๊บไปเลยรถชาติตรงไหนทําเพื่อมันเสร็จทางข้าวมันเสร็จท่านเองบางทีไม่จำเป็นต้องรีบไปได้ตานจ้าด้วยความรู้ตัวได้รับรสชาติอาหารที่ดีซะด้วยทําไปเปลวลารับโทรศัพท์ต้องรีบไหมเนี่ยกําลังทางข้าวสงสารโทรศัพท์ดังเกรงโอโหวางอาหารอร่อยคว้าโทารศัพท์ก่อน บางทีรีบแล้วก็ไล้สาระรับมาได้ตงงานแล้วยังเธอนอนสบายไม่เมื่อคืนนี้ฝันว่าง่ายโธเสียเวลาดวนแต่ไล่สาละมันรีบแต่มันไล่สาระก็มีถึงเวลาเราจะดับทุกข์ให้กับร่างกายเราทานตานอาหารกำลังอิสระก็วางโทรศัพท์ไว้ก่อนโทรศัพท์มันมาที่หลังชีวิตเราอย่าเอาโทรศัพท์มาเป็นเครื่องกำหนดชีวิต เราต้องเป็นนายเหนือโทรศัพท์ไม่รับมีอะไรไหมเนี่ยถ้าเราไม่รับซะบ้างจะมีอะไรไหมเนี่ยมันต้องยืดหยุดชีวิตบ้างเไอ้รับทุกอย่างเลยบางกีมันก็เรื่องดินดัวๆดิเนี่ยคนสองเครื่องนะซ้ายขวาเนี่ i p อแพดไอโฟรอเดี๋ยวนี่มีอะไรผมไม่รู้ตามไม่ทันนะมีเ c e b o o k อะไรเนี่ยนี่เยาหมดขี้เกียจเรียนรู้เสียเวลา ใครมีอะไรก็บอกแล้วก็ฟังไว้แต่เร า, เราไมเราไม่ต้องรู้กันแหะเรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องดับทุกข์มันมีเรื่องดับทุกข์เสียเวลาชีวิตทางนั้นแหละมันเพิ่มภาระกับชีวิตมันก็เป็นแอกของชีวิตเราอยู่ดียวัวนงทีไม่ต้องรักหวาไว้ก่อนมันจะเป็นกับธุกร ก, กิจพันลลาขึ้นเปิดดูหน่อยที่หลังเนี่ยมันต้องอย่างงั้นต้องเป็นนายเหนือเหนือเทคโนโลยีก็บอกแล้วเทคโนโลยีมันท่านสูงแต่คนใช้ไม่ค่อยมีปัญญา คนใ ช, นไชน้ไม่สูงตามเทคโนโลยีเลยต้องรู้จักใช้มันแย่มันมาใช้เราอย่าเร่งรีบเวลาข้ามถนมนต้องรีบไหมยังสงสัยอีกเหรอมันต้องรีบสิมันถึงคคาวรี่ประตูบางคนบอกไม่ได้รีบไม่ได้จาย์บอกรีบแล้วมันขาดสติ <c oughs> <c oughs> ไปย่างหนอย่างหนอชนปลีกเดี๋ยวก็นิ่นหนอนิ่นถึงคราวรีบก็ต้องรีบแต่รีบอย่างมีสติเห็นไมได้ไหมรีบก็ตามช้าก็ตามมันก็ต้องมีสติทางนั้นแหละที่ททเพื่อ้มีสติรีบอย่างมีสติไม่ใช่รีบร้อนรีบเย็นๆนะรีบข้างนอกแต่เย็นข้างในเห็นเราไม่ใช่รีบร้อนเรารีบเย็น ขณะรู้สึกเย็นเ็นรีบทําไมรีบก็ต้องร้อนเลยล่ะรีบเย็นเย็นสบายสบายรีบอย่างมีสติทําได้เนี่ยยกตัวอย่างพระกุณฑะเนี่ยไม่ไม่ไม่จะลืมนี่นะมันมีเรื่องเมื่อก่อนนี้มีเขาเล่านะแบบสมัยก่อนเนี่ยบ้านนอกบ้านนอกพระบิดาบาดเนี่ยตอนเช้เชเาเวลาบิดาบัดเนี่ย ช้อนาก็จะไถานาก็จะผูกควายเอ า, วาไว้เมื่อไรไงนะไอ้สีเหลืองของจีวรพระกับกับควายในยอริอริ ก, อ ก, กันเลยกันควายเนี่ยมันเจอสีอแดงๆหลืมันไล่ขิดนะโอ้พระก็บินทบาต ท, ทําให้บินทบบาตควายก็เห็นสีเหลืองนะเนี่ยมันก็แต่มันก็ดิ่งเข้ามาหาพรลาพระทํำยังไงอุ้ยพระต้องสํารวมเดินช้าๆสารวมพระต้องสํารวม วิ่งไม่ได้เดินช้าๆถูกควายกิดแลวนะพระทำไมจะวิ่งแบบสำรวมไม่ได้เอพอควายมาป้าต้องฝาบา ต, ต้องปิดก่อนเพราะเพรวว่าวิ่งนีฝาบาตหล่นกันปิดฝาบาตเต็มตัววิ่งอย่างสำรวม วิ่งอย่างต้องลมวิ่งอย่างไรวิ่งอย่างมีสติย้ายควายมันขีดทันวิ่งอย่างสํารวมสํารวมคือการมีสตินะถ้ามีสติแล้วมันมีความสํารวมอยู่ในตัวสํารวมเป็นสมมติแต่สติแล้วทาให้ทุกอย่างมันสํารวมวิ่งแบบสํารว ม, มย้าให้ฝาบาทหล่นย้ า, ายควายขิดทันเอาตัวรอดจากควายให้ได้ วิ่งอย่างสำรวมไม่ใช่ว่าสำรวมคือเอาบาทมาแล้วก็เอาอาหารใส่คนรวมไม่ใช่หรอกสำรวมสำรวมคือฉันอย่างมีสติไม่ต้องกวนให้รวมกันก็ได้ตอนนี้มีนุ้กดวมข้างในอยู่แล้วทําอย่างมีสติคือการทําอย่างสำรวมเห็นไหมที่นี้มีใครชื่อสำรวมมั่งคนชื่อสำรวมต้องทําอะไรมีสตินะต้องสำรวม ไม่หรอกพระจะวิ่งไม่ได้เดี๋ยวไม่สํารวมวิ่งได้เพียสํารวมคือวิ่อย่างมีสติถ้าว่าทําตัวแบบไม่เข้าใจเนี่ยติดสมมุติหรือยึดมั่นแต่มั่นจนเกินไปเนี๋ยไม่ได้วิ่งเดินมาสารวมเนี่ยถ้าจะบอกพระผิดควายควายมันขีดพระขึ้นมาเนี่ยควายก็บาปพระก็เจ็บตัวใช่ไหมนี่เพราะว่าเรามัวแต่มุ่งเรื่องไม่สํารวม ทํามีสติได้จำรวมวิ่งเดินข้านถนนวิ่งข้านนก็ได้อย่างมีสติถึงข่าวรีบก็ต้องรีบถึงข่าวช้าก็ต้องช้าเราจะได้เป็นอิสระกับชีวิตบ้างจะได้ไม่เหนื่อยอะไรก็เร่งรีบทุกอย่างรีบทุกอย่างเนี่ยชีวิตเราจะเหนื่อยนะจิตก็เหนื่อยกายก็เหนื่อยกายมันไปไม่ทันจิตหรอกกิเลสมันนาหน้าต้องสามตัวโลภโกรธหลง วิ่งตามโลภโกรธหลงแต่ร่างกายเรามีแค่สองขาขณาผมไม่มีขาเดิน ม, มันได้มันยังไม่ทันใจเลยรถไฟฟ้ามันอย่าไปเชื่อไอ้ความคิดอย่าไปเชื่ออารมมันคือแอนเราจะรีบก็รีบด้วยตัวของเราเองอย่ารีบด้วยความอยากรีบควรจะรีบเราก็รีบด้วยตัวของเราเองนะควรจะช้าก็ช้าด้วยตัวของเราเองไม่ช้าเพราะว่า ความขี้เกียจทําให้เราช้าเวลาเรานอนเนี่ยหรือเวลานอนเนี่ยถึงตอนเช้าจะเป็นต้องตื่นนะต้องรีบตื่นไหมเจี๊ยด <Yes. S 1> คิดดีวะถึงคราวตื่นต้องรีบตื่นนะอบางคนบอกว่าอาจารย์บอกว่าชีวิตต้องไม่เร่งรีบสบายๆนาฬิกาปุดกรี๊งกดเน่ยนอนต่ออยหน่อยไม่รีบกรได้อาจารย์เขาว่ า, างงั้นมันต้องรีบตื่น ทีตอนนี้เราก็ไม่ต้องรีบต้องรีบตื่นถ้าเราไม่รีบถึงกลางเต็มไม่รีบตื่นเนี่ยเราทําอะไรไม่ทันเลยมันต้องรีบทั้งวันเลยนะเพราะตื่นที่ทันเวลาปั๊บเนี่ยวันทั้งวันเราจะไม่เร่งรีบไม่ว่าเติมาจวนเอาเวลาจะได้เวลาทํางานแล้วรีบไปตอนนั้นจะเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็จะหลงลืมอ่ามันทีเราก็ต้องรีบตื่นเพื่อจะให้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันมันมันไม่ต้องไม่เร่งรีบ เพราะฉะนั้นดึงชีวิตช้าลงสักหน่อยสติมันจะเกิดง่ายเราจะรีบเป็นไหนการชีวิตเราเวลาชีวิตเราเหลือน้อยนะใช่ไหเหลือน้อยนะเนี่ยเราทำไมไม่ประหยัดเวลาชีวิตเราบ้างทำอะไรให้มันสบายๆแบบผ่อนคลายต่บ้างอย่าไปรีบซะทุกอย่างเราจะรีบไปไหนรีบตรงนี้เพื่อจะรีบไปทำข้างหน้าแล้วก็รีบไปทำข้างโน้น แล้วเรรียบไปทับตรงนู้นก่อนจะตายก็รีบตายจะรีบไปเกิดใหม่มันไม่แต่การเรื่องรีบแต่ ง, งั้นนะรีบไปตายรีบทำไมโอ้ความตายไม่ดักหน้าแล้วก็ไปแบบผ่อนคลายสบายๆบาย้บางชีวิตเป็นของเราอย่าปล่อยให้เวลาเนี่ยชีวิตขึ้นกับเวลาทั้งหมดอย่าปล่อยให้สิ่งแวดล้อนหรสังคมเนี่ยบีบคั้นจิตใจเราจนเกินไปเราต้องจับอิสระบ้างเราจะผ่อนคลายนะจะได้มีความสุขกับการใช้ชีวิต นะเราต้องปล่อยนะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปนตามปกติบ้างแล้วก็แทรกสติลงไปถึงข้าวรีบก็รีบเหนื่งข้าวช้าก็ช้าทําอะไรทําทีลรอย่างสติจะเกิดได้ง่ายเนี่ยเขาเรียกรู้สึกตัวนี่ถ้ามันมีความคิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อเรากำลังทานข้าวอย่มันคิดเกิดความอยากอะไรสักอย่างหนึง่งสติต้องรู้ให้ทันมัน ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยเราลืมลืมงานที่เรากําลังทานข้าวอยู่ก็คิดแล้วก็ทําตามในความอยากนั้นแล้วขาดสติขาดความรู้ตัวแล้วก็หลงไปรู้ให้ทันแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะเอาชนะความอยากความโลภด้วยการรู้ทันแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปชนะเรียบร้อยแล้วถ้าเราทําตามเมื่อไหร่เราก็แพ้ตกเป็นท่านเขาแบกเขาอยู่ เวลาเกิดความโกรธก็รู้ให้ทันไม่ห้ามนะรู้ให้ทันแล้วก็ไม่ทำตามปล่อยให้มันผ่านไปเราไม่อยากไม่ชอบแต่สอยา่างหนึ่งก็รู้ให้ทันซะ ก, ก่อนรู้ให้ทันซะ ก, ก่อนแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปชนะกิเลสด้วยการรู้ทันแล้วก็ไม่ทำตามนี่คือชนะแบบนุ่มนวลแบบสุภาพบุรุษสุภาพสติแบบวิระสติเนุ่มนวลแค่นั้นเอง ไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปห้ามความโลภความโกรธความอยากความไม่อยากาอย่าไปฆ่าอย่าไปห้ามให้มันเกิดมาแล้วก็รู้ให้ทันอัชนาแบบนิ่มนิมก็เรียกว่าเชื่ดนิ่มนิ ม, นมแบบไม่ทาตามก็สบายใจเราถ้าคิดทำลายคิดไปฆ่าใจเราจะดีไหมเราก็แบกแบกความโกรธแกความไม่พอใจออกไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเกิดขึ้นป๊บถ้าเรารู้ทันแล้วเราก็ปล่อยมันผ่านไป เราจะเป็นตัวของตัวเองจิตมันจะเป็นสายกลางไปเองเพราะจิตที่เป็นสายกลางแล้วเป็นปกติแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยมันจะมีความคิดที่ดีกว่านั้นละเอียดกว่านั้นผ่านการกรองของสติเครื่องกรองน้ำมันก็กรองน้ำไปใส่สะอาดบริสุทธิ์เป็นอุปกรณ์แต่ว่าอารมณ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจิตที่มีสติเป็นผู้ที่กรองอารมณ์ให้ผ่านไปแล้ว เอามาใช้ประโยชน์ได้คือกรองและผ่านไปแล้วจิตมันก็จะใสจิตที่ใสที่เป็นปกติเนี่ยมันทำหน้าที่ดีดมากทำแล้วไม่ทุกข์แล้วมีแต่ความเกื้อกูลมีแต่ความปิติมีแต่ความสุขนั่นคือจิตที่เป็นสายกลางกลางคือไม่หวั่นไหวไปกับไอความพอใจไม่พอใจแต่ไม่ห้ามอารมณ์แต่รู้ทันและปล่อยมันผ่านไปนั่นคือทางสายกลางของจิตเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยดูกาย แล้วก็รู้ทันรู้ตัวเมื่อจิตมันคิดแล้วก็รู้ทันแล้วก็รู้ตัวมันรู้และจิตจะเป็นกลางไปเองแค่เนียฝึกศักลยา น, นึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตโดยเพราะเราจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเราจะรู้จักตัวเองคือรู้ใจตัวเราแล้วก็รู้ใจคนรอบข้างรี่ตัามไปเราจะเข้าใจเขาแล้วก็เข้าใจตัวเราเราต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเราก่อน เข้าไปรู้ความจริงของใจเราคือเข้าใจเราเราก็จะเข้าใจคนรอบข้างในโลกนี้จะอยู่กับใครแบบไม่เป็นศัตรูกันเลยเป็นมิตร ท, ทุกคนเลยนอกจากใครก็จะไม่เข้าใจเราก็เรื่องของเขาแล้วก็เข้าใจเขาที่เขาไม่เข้าใจเราอีกที <c oughs> นะมันจะมีแต่ความอิสระในตัวเาองเนี่ยก็เรียกปลดแอกของอารมณ์ปลดแอกอารมณ์ได้บ่อยๆเนี่ยมันจะปลดแอกของอะไรนะ ของมานาทิฏฐิต่างๆมันปลดได้พอเราไม่เชื่ออารมณ์เหนืออารมณ์แล้วเนี่ยเรื่องทิฏฐิมานังต่างตัวตนความยึดมั่นจิตมั่งก็จะลดลงไปเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปลดทิฏฐิมานะจนมันทีเราทำไม่ได้ลดอารมณ์ตัวเองให้ได้โดยการที่ไม่ทำตามทิฏฐิมานะตัวตนมันก็จะลดลงไปการบรรลุธรรมคือลดทิฏฐิมานะลดตัวตนลดความยึดมั่นถึงมัน่น ก็การบรรลุธรรมทั้งหมดกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนี่มันเป็นทางสายกลางทางสายกลางคือจิตเป็นผู้เดินทางจิตเป็นผู้เดินทางนะทางคืออะไรคือความพอใจกับความไม่พอใจคือทางความพอใจคือความหย่อนของทาง ติดแล้วหลงเมื่อความพอใจหลงเพื่อเติรดแล้วหลงทางตกทางสายกลางไปแล้วถ้าเรารู้ทันเราไม่ห้ามแล้วรู้ทันนั่นติดก็ลงสายกลางและความพอใจชอบใจมันก็จะผ่านไปเห็นมเวลาเกิดความแม่พอใจไม่ชอบใจคือทางที่มันตึงทางที่มันตึงคือทางที่มันเครียด <c oughs> เราไม่ห้ามแต่เราก็รู้ทัน พอรู้ทันปั๊บจิตก็ลงสายกลางจิตเป็นผู้เดินทางทางชีวิตต้องเริ่มต้นที่ทางจิตใจเนียทางก็คืออารมณ์ทั้งสองฝ่ายยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจจิตคือผู้เดินทางนะนี่พูดถึงเรื่องจิต <c oughs> เมื่อจิตมาลงทางสายกลางแล้วมันปรับสมดุลทางจิตได้ดีแล้วเนี่ยเรื่องของร่างกายไม่ต้องกลัว จิตมันจะปรับสมดุลกับการใช้ชีวิตทางกายได้ว่าเราจะต้องทานข้าวขนาดไหนนอนขนาดไหนพักผ่อนแค่ไหนมันจะรู้เองจิตมันจะควบคุมจะปรับระดับได้ว่าควรจะขนาดไหนจะรีบแค่ไหนจะช้าแบบไหนมันจะฉลาดในการใช้ชีวิตมันจะไม่ตึงไม่หย่อนมันจะพอดีพอดีจิตที่เป็นกลาง สมดุลแล้วเนี่ยมันจะช่วยทาให้ร่างกายชีวิตเราเนี่ยมันเป็นกลางมากยิ่งขึ้นความเป็นกลางนี่ดีนะความเป็นกลางคือความเป็นปกติของชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดีใจไม่เซ็งไม่ใช่ความดีร้ายความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นได้แต่เรารู้ทันและเราก็จะไม่ทําตามก็ได้นั่นแหละเราไม่ห้ามทุกอย่างมันก็บอกเอ๊ะมันก็เซ็งไงทีสายกลางสายกลางไม่เซ็งนะ เซ็งมันคือทางไหนทางตึงเซ็งคือไม่ใช่สายกลางสายกลางมันไม่เซง็งมันรู้ทันในความเซ็งนะใช่ไหมมันอยู่เหนือมันกลางมันสนุกได้แต่รู้ทันไม่หลงลืมตัวในความสนุกไม่ยึดติดเลยตามไปสนุกได้ยินได้กินข้าวก็อร่อยได้แต่ไม่ได้ยึดติดเลยมันคือทางผ่านของชีวิตทางนั้นความอร่อยความแม่อร่อยโลภกวนหลงคือทั้ผ่ า, านชีวิต แต่เราเป็นไม่ได้ฝึกจิตจะเป็นทางตันก็ชนอยู่ในความชอบใจชนอยู่ในความไม่ชอบใจอยู่แค่นะั้นเพราะตกทางสายกลางถ้ามีความรู้ตัวเนี่ยโอ้นี่คือทางผ่านรู้แล้วก็ผ่า น, นกินข้าวอร่อยแล้วก็ผ่านไม่ติดอร่อยอยังไง ร, ร้านไหนต้องไปให้ได้เนี่ยมันเตะแล้วเราจะผ่านไปอร่อยแล้วก็ผ่านไป กรธเออโกรดก็รู้ว่าโกรดแล้วก็ผ่านเราไม่ได้ฮะไม่เครียดชีวิตที่ผ่อนคลายมากนะความเป็นกลางจิตจืดนี่แหละมันจะมีความสดใสเบิกบานเราทานอาหารอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพเนี่ยมันต้องมีรสอะไรติจืดจ ด, ดูแลมันมันจิดจืดใช่ไหมแ่เปรี้ยวเกินไปหวานเกินไปมันเกินไปเค็มเกินไปมันก็มีปัญหา อ่ น, น จ, จิตจืดแปลนี้เป็นสุขภาพอันนี้เป็นหลักการนะจะทําได้ไมันได้ก็เรื่องอีกเรื่องหนึงไม่ได้ว่าอะไรนะเออบอกไว้เป็นหลักการอะไรดื่ม น, น้ําอ่ะน้ำอะไรที่มันมีคุณภาพที่สุดน้ําบริสุดคือน้ําไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเขาว่าไว้อย่างนั้นเรียนมานานแล้วสมัยเด็กๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสคือน้ําที่มีคุณภาพน้ำที่บริสุทธิ์ บางคนบอกไม่น่าเราชอบน้ําหวานคุณทานน้าหวานทั้งวันได้ไหมก็ต้องหานมนดื่มน้ําเปล่าอยู่เดียวบางคนชอบน้ําขมขมทั้งวันได้ไหมชีวิตมันก็ขมทั้งวันมน้ําเปล่าอยู่เดียวออชอบของไม่เปรี้ยวดื่มน้ําผลไม้เปรี้ยวทั้งวันได้ไหมวันมันก็ผุดต้องมาน้ําำจืดใช่ไหมล่ะน้ําก็ต้องน้ำเปล่าเปล่าจื ด, จ ด, จ ด, จดกลาง แล้วกลิ่นนะมันถ้าชอบกลิ่นหอมหอมอะไรหอมทุเรียนหรอเอาไปเข้าไปในห้องนะเอาทุเรียนไปตั้งไว้ตั้งลูกนอนทั้งวันทั้งคืนตงนั้นนะเดี๋ยวก็ออกมาเป็นหนามาตัวมันก็เหม็นเหมือนกันนั่นนะ่ะก็มันก็เอียนก็มึนหัวศีรษะเคลื่อนไส้น้ำหอม อ, อยู่กับน้ำหอมทั้งวันเลยมันก็ไม่ไหวนะเหม็นทั้งวันก็ไม่ไหว กลิ่นสะอา ค, คือกินที่อะไรบริสุทธิ์กลางๆอยู่ได้ทั้งวันแหละนะต้องกลางๆอยู่เดียวสีก็เหมือนกันถ้าสีขาวดูมันจะผ่องใสเนี่ยคนที่ใส่ชุดสีขาวดูแลหน้าหมองเนี่ยดูพยาบาลเห็นไหมพยาบาลชุดขาวขาวเทิทิดาสีฟ้าก็หน้ามองเออสีขาวหน้ามองเห็นไหมบางคนขี้เลพะพอใส่ชุดสีขาวมันก็เป็นขี้เละอีเหมือนกันนะ สีขาวมีเสน่ห์มากดูแล้วมันน่ามองนะมันมีเสน่ห์ในตัวเองถ้าเป็นสีแดงที่เหลืองมีปัญหาสีขาวมันเป็นกลางไม่เข้าข้างใครสีขาวเป็นกลางๆแต่ผมใส่สีแดงก็เพราะว่ามันเป็นไฟที่ต้องใช้สีแดงเพราะว่าอย่างนั้นแต่เราก็จะมีเกงสีขาวอยู่ ใชสีก็ต้องขาวๆกลางๆดูแล้วไม่เบื่อตารถเก๋งที่สีแดงสีเหลืองสีเขียวดูนานก็เบื่อตาต้องสีขาวๆดูอะไรก็เป็นรถใหม่ทุกทีไปที่ไหนก็สว่างนะเวลาวิ่งผ่านมันก็แลดูมันเต็มถนนนะสีขาวรถสีขาวนี่เต็มถนนนะเนี่ยถ้าสีดำจะมองมันกลมกลืนกับถนนดูที่ความยุติธรรมมา ความยุติธรรมเนี่ยอย่างสารยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องเป็นกลางใช่ไหมล่ะตาช่างต้องเป็นกลางใช่ไหมตัวแม้แ่ดาพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าให้ละความชั่วให้ทําความดีแล้วก็ทําจิตให้ขาวรอก็คือเป็นกลางชั่วไม่ทําตามความดีแล้วก็ไม่ยึดติดในความดีจิตจึงจะบริสุทธิ์อิสระ เหนือดีเหนือชั่วมันก็ต้องเป็นกลางกลางอยู่ทีอนะสาย ก, กลางมันดีทั้งนั้นแหละพอจิตเราเป็นกลางได้เดี๋ยวร่างกายก็เป็นกลางเองการใช้ยุทธป็นกลางเนี่ยผมเคยมีญาติมีญาติทำนะเป็นแพทย์แผนจีนแพทย์แผนจีนเขาเรียกว่าเป็นหมอหมอแม้ใครเคยโดนแมะนะ้ไหม เขาก็แมะดูว่าโอ้นีมันมีธาตุอะไรธาตุไฟธาตุลมมาหมอเขเคยแมะหมอจีนแมะโอ้โหอาจารย์นี่พลังเหลือน้อยเหลือเกินพลังลมปราเหลือน้อยเหลือเกินอยู่มาได้ยังไงมันเครื่องที่มันกำลังจะดับอ๋อ น, นิมันมันมันขาดธาตุขาดธาตุแปลว่าธาตุไฟมันอ่อนไปหน่อยลมมันยิงออกก็เลยจ่ายยา สนปลายจีนเป็นโสมโสมนี่เป็นไงโอมันกระตุ้นพลังนะร้อนนะโอ้โหอินโสมเข้าไปร้อนทั้งตัวเลยนะฮะหมอโอ้นี่มันร้อนเกินไปเล็กแล้วมันต้องมีฤทธิ์เย็นเข้าผสมอ้าวหลอฮางกล้วยมั่งยาจีนฤทธิ์เย็นพอกินฤทธิ์เย็นเข้าไปมันก็หนาวจันสวิงซ้ายสวิงขวาไม่เป็นสายกลาง มันก็เลยเป็นไข้หมอต้องหยุดทั้งสองอย่างเอเราหันมากินน้าเปล่าโอ้น้ําเปล่ามันปรับสมดุลน้านที่มันจุดอยู่น้ำที่มันไม่ร้อนไม่เย็นกินไปปกติคุณดุลมันหายไข้ไปในสองวันเโอ้หมอจริงค่ะแม่เราแล้วก็เรียกหมอมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแม่ใจแม่จิตหมอบางไีมหมอแม่อวังกายว่าแม่จิตหมออะไรหมอแม่ได้แม่ได้แ ม, แมตหมิหมอเนี่ยจิตไม่ปกติเนี่ย เนี่ยอดีเข้าเอามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยจิตหมอนี่ไม่ค่อปกตินะบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายขึ้ น, นๆลงๆเนี่ยคุมดีคุมร้ายเนี่ยหมอนี่อยู่บ้านบางทีก็คุ้มดี ม, ด ม, ดมาปฏิบัติบางทีก็คุ้มร้ายบางทีก็คุมดีนี่ไม่ปกตินะจิตหมอไม่เป็นกลางนะเนี่ยแม่จิตหมอเวาบอกว่เนี่นี่ขาดธาตรู้เนี่ยหมอนี่ขาดธาตรู้ จิตไม่เป็นกลางมีธาตุรู้มีเนี่ยเรากาลังปฏิบัติธรรมจริญสติเนี่ยหมอต้องไปเติมธาตุรู้มากๆเติมธาตุรู้ในจิตจเจริญสติบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆยกมือสร้างจั ware บา่อยๆเนี่ยปฏิ บ, บัติบ่อยๆนะเติมธาตุรู้ให้จิตมันเป็นกลางพอจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยจิตหมอจะปกติจะมีความสุขมันจะไม่คลุมดีคลุมร้ายหมอจอดใจมาก ไปให้ไปปฏิบัติป่าแล้วไปบอกกับเพื่อนๆมาบอกนี่อาจารย์แม้จิตได้โอ้โหพากลับมาแม้จิตม อ, อแม้จิตหมอแล้วล่ะจิตจะเป็นกลางได้ก็ต้องเนี่ยมาตามความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อเรามีความรู้สึกตัวได้แล้วก็มันจะวางมันจะไม่แบกอารมณ์เอาไว้เนี่ยมันจะไม่แบกของทิฏฐิมันะเอาไว้ มันจะปลดแอกอารมณ์ปลดแอกมานะทีิดีหรือความยึดมั่นถิมันม่นจิตก็จะเป็นอิสระจิตที่เป็นอิสระเนี่ยมันจะมีความสุขมีความสดใสมีความเบิกบานเอาไปทํางานอะไรก็สําเร็จทางนั้นแหละถึงงานไม่สาเร็จแต่ใจมันก็ดีมองทุกอย่างไม่ใช่อุปสรรคทุกอย่างเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เรียนรู้ไม่มีอุปสรรคเลยนะมันเออนี่เป็นของใหม่ตลอชีวิตแล้วก็จะได้เรียนรู้ไม่ใช่ของใหญ่ตลอดชีวิตเราต้องมาแบก นี่นะนั้นทุกวันเนี่ยเราต้องฝึกสติเอาไว้นะเอาไว้ปลดแอกอารมณ์ปลดแอกของทิฏฐิมา น, นะมันยิ่งใหญ่กว่าการปลดแอกที่ที่วางไว้บนบาหล้ีซ้ำไปเนี่ยอันนี้เป็นคําสอนพระพุทธเจ้านะคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคําสอนที่พพุทธเจ้าสอนเอาไว้ตัดเอาไว้เนี่ยท่านเพื่อให้เรามา ได้ทาตามถ้าสอนแล้วเราทาตามไปได้ท้าไม่สอนนะเสียเวลาทุกคนทำได้ถ้านจึงนำมาสอนส่วนจะทาแล้วได้ผลแค่ไหนนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องแยกนะว่าทำไม่ได้ไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้เริ่มทำเราทำดูก่อนเราทำเหตุน้อยผลก็น้อยทำเหตุมากผลก็มากเราทำมากอาจจะได้ผลมากก็ได้ใช่ไห ต้องลองทําดูนี่ท้าให้ทํานะต้องลองทําดูก่อนมันที่ปฏิเสธไม่ยอมทําแล้วมันจะเห็นผลตรงไหนล่ะมันต้องเริ่มทําดูก่อนนะเนี่ยนะอย่าเมื่อสมัยสานวนที่พูดว่าอะไรคนที่เขาทำอะไรเก่งๆทานานเนี่ยเขาทําได้ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกอะไรนะทําได้แม้กระทั่งไม้จิ้มฟันยันเรือลบที่ยินไหมเออแล้วนะเราไม่ลองทําไม้จิ้มฟันดูบ้างเลอ ลำพังแค่ไม้จิ้มฟั น, นยังไม่คิดจะทำจะหวังอะไรก็จะไปทำเหลือลบลองทำไม้จิ้มฟันดูทำทุกวันทุก ว, วันทำได้ไม่ได้ลองทำดูลองทำดูเนี่ยเนี่ยท้ายตามท้ายตาเนี่วยวันเนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษ น, นะมาพูดในวันพระวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวันอาสาหะบูชาเนีเป็นวันที่พระองค์แสดงปฐมเทศนา นะเทศกันแรกธรรมจักกปวัฒนสูตรมัชิมาปฏิปทาว่าเรื่องทางสายกลางพอฟังแล้วสมัยพุทธกาลก็มีอัญญากฎนะยะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสองค์องค์แรกในพุทธศาสนาวันนี้นี่ผมสิทธิ์รุ่นหลังๆก็พูดเรื่องทางสายกลางนี้นยหน่อยพอจะมีใครมีดวงตาเห็นธรรมบ้างไหม หรือยังดวงตายยังฝ้าฟางอยู่<笑><笑><笑>นะเนี่ยก็เห็นมาสมควรเก็บเวลานะเนี่ยก็ขอความเจริญความผาสุกมีสติปัญญาเนี่ยปราศจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกค น, นครับกับาอนมมทนาบุญกับท่านอาจารย์กำรพลทางบนุ่มนะครับที่ได้มาแสดงธรรมแก่พวกเราในหัวข้อยุดทวิธีปวดแอบใจคงจะเบาขึ้นเยอะเลยนะครับ จากการฟังธรรมในวันนี้วันอาสาฬห บ, บูชาไม่รู้ใครจะมีดวงตาเห็นธรรมในวันนี้<อ>บ้างหรือเปล่านะครับต้องลองไปปวดแอกดูนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงปุจชาวิสัชนาญาติธรรมท่านไหนมีคําถามที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์เป็นปัญหาธรรมะก็ดีครับหรือว่ามีแอกอะไรในใจอยู่อยากให้อาจารย์ช่วยบอกยุธทธวิธีก็เชิญถามคําถามได้ที่ไมโครโฟนตรงกลางนะครับหรือว่าถ้าไม่ไม่กล้าถามไมโครโฟนก็ ส่งกระดาษให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับเรียนเชิญเข้าสู่ช่วงปุชาวิสชนะกรับสวัสดีครับอาจารย์คำพลนะครับผมก็อยากจะเรียนถามข้อสอข้อนะครับคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับพอดีคุณย่าของผมเนี่ยท่านตอนนี้ก็อายุร้อยสา้อยเลยนะครับแล้วตอนนี้ท่านก็นอนอยู่กระเตียงนะครับท่านก็ ก็ก็ทําหากินแล้วก็เรื้องลูกเรื้องหลานนะครับแล้วก็ทำบุญทำทานเกือ้อกูลคนอื่นแต่ว่าเสียดายว่าท่านไม่มีโอกาสที่จะได้มาฟังธรรมนะครับแล้วก็ผมก็ไปเยี่ยมแกแกยุงเทพนะครับแล้วก็ก็นานๆก็ได้ไปเยี่ยมสักทีนะครับก็ไปไปนั่งกัแกนะครับ ก็ก็ก็นึกถึงอาจารย์กมพลเพราะว่าเคยไปฟังท่านที่วัดอุโมงค์นะครับก็เห็นท่านก็อยู่ก็ก็เรียนตามตรงนะครับก็ก็ท่านก็พิการนะครับแต่ผมสังเกตท่านว่าท่านมีจิตใจที่สดใสนะครับและรู้สึกว่ามีความเป็นอิสระต่อตัวเองนะครับคือมี เป็นอิสระต่อร่างกายที่พิการนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็อยากจะเกรียนถามท่านว่าในช่วงวัยสุดท้ายของคุณย่าผมเนี่ยผมอยากจะถามท่านว่าท่านมีวิธีใดบ้างที่จ ะ, ะไปช่วยให้คุณย่าผมเนี่ยให้ท่านมี สติมีความรู้ตัวก่อนที่ท่านจะจากไปนะครับผมก็พยายามที่จะไปจับมือของท่านแล้วก็มานวดมือของท่านคือทําให้ท่านรู้สึกตัวนะครับแต่ผมก็กกคิดผ ม, ผมก็คิดได้แค่นี้นะครับแต่ท่านก็ตอบสนองได้นะครับแต่ท่านมีวิธีพิเศษอะไรอื่นอีกเปล่าครับที่จะไปนําไปใช้ก่อนที่ท่าน คอคือคือจะากให้ท่านมีสติจำใสนะครับคือคือคืออยากเรียนทางตรงนี้นะครับโมทนาบุญนะดูแลญาติผู้ใหญ่คนที่ดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลคนพิการดูแลพ่อแม่หรือคนป่วยไข้หรือคนได้อกาสเนี่ยเป็นคนที่มีบุญนะเรากาลังทำบุญอยู่การทำบุญเนี่ยเราจะมองแค่บุญภายนอกการทาบุญข้างนอก มันคือส่วนหนึ่งแต่ควรทำใจให้เป็นบุญทำด้วยความเต็มทด้วยความเต็มใจเนี่ยเราก็เป็นบุญอยู่แล้วสิ่งนี้มันจะสามารถสื่อให้กับคนที่เราช่วยเหลือเขาได้เรามีความเต็มใจมีความตั้งใจทําด้วยความเมตตาปาถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขามีความสุขเลยเกามีทุกขเวทนาน้อยๆลงหน่อยจิตที่คิดแบบนี้เป็นจิตที่ดีเราก็สบายใจเนี่ยหมดหน้าที่เราแล้ว ส่วนคนไข้หรือคนที่เราดูแลจะรับได้ขนาดไหนนะั่นก็เป็นเรื่องของเขาการดูแลอยู่ใกล้การให้กำลังใจอันนี้ช่วยเขาได้ยิ่งคนที่อายุมากๆวัยมากๆวัยสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราควรอยู่ใกล้ชิดจับเนื้อจับตัวบีบเนื้อบีบตัวชวนท่านคุยถ้าท่านอยากจะคุยก็คุยถ้าท่านไม่อยากคุยเราก็จะไปชวนให้กำลังใจอยู่ใกล้บีบนวด ส่งความปรารถนาดีไปหาเขาเป็นการช่วยที่ดีแล้วใช้ได้แล้วเราไม่มีวิธีอื่นนอกจากเป็นเพื่อนให้กําลังใจนะแล้วก็มีความสุขเขาเห็นด้วยนะอย่าไปเคร่งเครียดช่วยแล้วเราเครียดคนไข้เห็นเราเขาก็จะเครียดก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานถ้าเบิกบานนึกออกก็ทําใจเป็นปกติตะอย่าไปทําความเศร้าหมองหรือร้องไห้ท่านเห็นยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสไปหาคนไข้นี่ได้กําลังใจไปแล้ว คนใครเห็นก็มีความสุขมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเราจะให้สิ่งไหนต้องเริ่มจากตัวเราสิ่งนั้นจะมีประโยชน์สาหรับเขาและมีคุณค่าสหรับเขาด้วยเพราะที่นี้มีคุณค่าสำหรับเราอย่าเอาความทุกข์เข้าไปช่วยเขาเอาความสุขสดใสปัจจบันไปช่วยเขาเขาก็จะปล่อยมีความสุขมีเนื้อเป็นตัวก็ใช้ได้ไดแกจะรู้ตัวดึงจิตเขาให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ณปัจจุบันนั้น เขาจะไม่มีความทุกไอ้ที่เขามีคขาตัวเพราะเขาไปครุ่นคิดกังวลถึงอนาคตตายไปจะเป็นยังไงลูกหลานจะลืมเขาหรือไม่หรือกังวลถึงเงินดีเ น, น, น, น, น, นี่นะเนี่ยตัวเนี้ยมันทําให้เขาต้องเควจิตใจจะฟุ้งซ่านก็อยู่กับปัจจุบั น, นดึงเข้ามาอยู่ปัจจุบันจะชวนพูดชวนคุยถ้าเขาไม่คุยเราก็อย่าไปบีบคั้ น, นบีบนวดก็สบายใจแล้วบีบนวดเบาๆผ่อนคลาย ใครๆก็ชอบยิ่งคนแก่ๆนะลูกหลานมาใกล้ๆเนี่ยโอ้เป็นยาใจเลยยาหอมยาใจคือลูกหลานเอาไปใกล้ๆแต่อย่าอย่าวลูกหลานไม่กวนนะนะเอาไปท่านมีความสุขเนี่ยใกล้ๆท่านเองก็สบายใจไม่มีวิธีอื่นนอกจากเราทำกับท่านโดยตรงอย่าไปบีบคัน้นอย่าไปบังคับนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้ท่านเครียดก่อนจะตายตามใจก็ ตามใจก็ยากอย่าไปกัดใจอย่าไปกันอย่าไปตือ้อไปวิธีดีสุดบครับเชิญคำถามต่อไปครับมีคำถามตอบต่อไปไหมครับจะเรียนถามท่านอาจารย์เป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ เหตุปัจจัยที่ดีที่เราได้มาเจอท่านอาจารย์มีกระดาษส่งมาไหมครับโอ้วันนี้แสดงธรรมในวันอาสาลหบูชาเชิญเลยครับกลับเรียนท่านอาจารย์ครับเคยมีท่านอาจารย์ผู้รู้บอกว่าการอ่านหนังสือธรรมะบางอย่างเปรียบเสมือนงูพิษ เราจะควรอ่านหนังสือธรรมะอย่างไรถึงจะไม่ให้เป็นมูพิษต่อการปฏิบัติครับก็อ่านให้เป็นประโยชน์ว่าใช้กับตัวเราได้ไหมหนังสือธรรมะที่อ่านธรรมะนั้นเป็นเรื่องดับทุกข์ต้องเป็นเรื่องดับทุกข์อ่านแล้วต้องสามารถดับทุกข์กับตัว เ, เองได้ไม่ใช่เรื่องเล้วไหลและไม่ใช่เที่พิสูจน์ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเอง ถวะธรรมะเป็นสันทิติโกผู้ศึกษาแนละเป็นบัตรพึงเห็นได้ด้วยตนเองนะแล้วก็ธรรมะไม่ทำคนไปสู่ในโลกที่ชั่วอ่านแล้วเกิดความดีเกิดความกระตือนล้นที่แอกอยากจะทำความดีอยากจะละความชั่วก็ใช้ได้ธรรมะที่เป็นตัวปฏิบัติทำให้เรามีความรู้สึกตัวนี่ก็ใช้ได้ธรรมะที่อ่านแล้วเกิดสติปัญญาแก้ปัญหาชีวิตเราได้ก็ใช้ได้นะ เลือกเอานะธรรมะเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างเหมือนยาทั้งตู้เราจะเลือกยาขนานไหนที่เหมาะกับโรคของเราเราก็เลือกเอามาหนึ่งขนานอย่าไปทานทั้งหมดตู้เดี๋ยวยามันจะตีกันบางยางมันก็ยารักษาแผลข้างนอกบางอย่างก็ยารับประทานอย่าไปทำพร้อมๆกันว่าเราเป็นโรคไห น, นเวลาเป็นแผลก็ใช้ ทิงเจอไอโอดีนอย่างนี้นะสมมุตินะเวลาเราปวดหัวก็ผ่าลาสเทตามอนนะต้องเลือกดูว่ามันเหมาะสำหรับโรคของเราไหมเรามีปัญหาเรื่องอะไรก็ธรรมะนั้นมันใช้แก้ปัญหาชีวิต อ, อีกคำถามหนึ่งครับรู้สึกว่าการปฏิบัติโดยการรู้ตัวเนี่ยอุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับผมก็คือการเพ่ง ม, มันสลับไปสลับมาระหว่างการเพ่งและความรู้ตัวพระอาจารย์มี เทคนิคอย่างไรที่เราจะาดิกลื่องการเพ่งไปสู่การรู้ตัวที่ถูกต้องได้ครับก็มไม่ยากพอเพ่งแล้วก็รู้ตัวก็ใช้ได้แลมันเพ่งมารู้ว่าเพ่งใช้ได้แล้วมา ร, รู้ว่าเพ่งรู้ตัวว่าเราเพ่งก็จบอยู่ตรงนี้รู้ตัวงงไหมเนี่ยก็รู้ว่างงตีแล้วก็จะรู้ตัวอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปหวังผลมากเกินไป ความหวังผลละ่ะเราจะมีความเพ่งเกินไปตั้งใจเกินไปจะเอาให้ได้หน้าดาข่ำเครียดธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นทำเล่นๆสบายๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็เห็นเป็นไรเลยแต่เราก็ได้ทำนะจิตมันจะผ่อนคลายละไอ้ความอยาก อ, อกสบ้างอยากบรรลุผล <c oughs> แค่รู้ตัวมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นผลอยู่แล้วในตัวของมัน <c oughs> นะเพ่งก็รู้ ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรใครนิสัยชอบเพ่งก็คือเพ่งนิสัยเรามันทำงานต้องเพ่งใช่ไหมถ้าไม่เริ่มเพ่งกับการทำงานเราก็ทาอะไรไม่เป็นอะพอเพ่งอะออนี่มันเพ่งก็ใช้ได้จบลงที่รู้ว่ามันเพ่งการเดินจงกรมความรู้สึกการรู้ตัวเนี่ยเราควรที่จะรู้ที่การเคลื่อนไหวของขาหรือว่าการเคลื่อนไหวทั้งตัวครับก็รู้ว่าเราเดินก็จบ อย่าไปดูที่ขาอย่าไปดูที่ตัวณนะปัจจุบันเรากำลังทำอะไรณนะปัจจุบันกำลังเดินก็รู้ว่าเดินเท่านั้นเองนะก็รู้ว่าเดินการเดินจงกรมคือการเดินเล่นแบบรู้ตัวนะผมเดินให้ดูไหมนะเราเกิดมาเราเดินแบบไหน แต่เราเดินแบบไม่รู้ตัวเราก็เดินธรรมดาแต่เราแท้ความรู้ตัวก็จบเราไม่ได้โชว์การเดินหรือพัฒนาการเดินแต่เราพัฒนาเรื่องการรู้ตัวพอรู้ตัวปั๊บจิตก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องการเดินจิตก็ไม่เพ่งเรื่องการเดินแต่มันรู้ตัวรู้รอบๆสามเล่าสี่องศา <c oughs> <c oughs> สติเป็นหน้ารอบนะ <c oughs> มันจะผ่อนคลายมาก คำถามสุดท้ายครับการทำความเพียรอย่างต่อเนื่องเราควรจะวางจิตวางใจอย่างไรที่จะให้มีความเพียร like ที่สม่ำเสมอไม่ขาดตอนไปมากเกินไปครับก็ศรัทธาเราเพียรเพื่ออะไรนะเรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ก็ทำด้วยศรัทธา ถ้ามีศรัทธาแล้วความเพียรจะเกิดขึ้นเองแต่มันจะเพียรได้แค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าจิตเราอยู่ปัจจุบันตรงไหนไอ้ที่เราเพียรไม่มากเพราะมีความคิดมาแทรกเราก็อย่าไปสนใจความคิดเราจะทำก็ทำของเราไปจะทำก็ทำเราไปอย่าไปยั่วความคิดชีวิตเรามันขึ้นอยู่ความคิดมามากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็คิดคิดคิดเราเลยไม่ทำอะไรเลยมัวแต่คิดหลงในความคิดจะทาก็คือทาเลย ข้ามความคิดข้ามอุปสรรคคิดวางแผนมาเรียบร้อยแล้วก็วางแผนไว้แล้วก็เดินตามแผนนะเดินตามแผนก็ทำตามแผนไปอย่าปลา่อยความกังวลมาหยุดชะงักของการเดินตามแผนความกังวลคือความกังวลคืออารมณ์ที่เข้ามาแทรกเป็นเรื่องของเขาเรื่องเราก็คือจะทำตามแผนแต่ถ้าเราจะคิดเป็นแผนเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความรู้ตัวในการ ในการคิดในส่วนนั้นมันจะสมบูรณ์มากกว่าคนเราไปจะทำอะไรปับ๊บมันคงไม่ได้มั้งมันจะได้หรือผลจะเป็นยังไงจะมีใครชมเรามั้งเราไปยุ่งอยู่กับอารมณ์แบบนั้นอะ่ะมันเลยไม่ทาอะไรเลยถ้าตั้งใจทำก็ทำไปก่อนพอทำปั๊บเจอปัญหาแล้วก็เรียนรู้ไปเรียนรู้แล้วก็วางปัญหาแล้วก็มาทำตามแผนรได้นะเดี๋ยวมันจะเสียแผนถ้าเราไม่ทาตาม ครับเชิญคำถามต่อไปครับเชิญเลยครับกับท่านอาจารย์เช้าค่ะคือว่าในชีวิตประจำวันเราต้องแสดงออกอะไรหลายอย่างคืออยากให้อาจารย์สอนที่จะกำจัดความกลัวแล้วก็เพิ่มความกล้าให้เราอะค่ะขอบคุณค่ะชีวิตอะไรหลายอย่างเนี่ยเพื่อความมั่นใจในการดำเนินตามงานที่เราทำ เพื่อความมั่นใจหรือความกล้าหาญเนี่ยเราต้องมองว่าเรากาลังทำอะไรอยู่ถ้าเราความทำความดีไม่เบียดเบียนขายเด็ดร้อ น, เ, นเราทำไปเถิดมีความกล้าหาญในความดีงานที่เราทำที่มีคุณค่านะั้นเราจะมีความกล้าหาญทำถึงนั้ น, นไอ้ที่เราไม่กล้าเพราะว่าเรามีตัวเราอ่ะกลัวจะไปดูผลว่ากลัวจะทำไม่ดี ตรัวจะไม่มีใครชมเรากลัวผ ล, ลมา ไ, ไม่ดีมันก็เลยทำอะไรแบบไม่มั่นใจถ้าเราจะทำอะไรสิ่งนั้นคิดว่าดีแล้วมีคุณค่าสาหรับเราและคนอื่นแล้วเนี่ยทาไปเลยมันจะมีความมั่นใจมั่นใจในที่เราทำเพราะมันมีคุณค่าสาหรับบุคคลอื่นและสำหรับตัวเราด้วยให้มีความมั่นใจในสิ่งนั้นเถอะแต่เราไปคาดหวังในผลเนี่ยเราจะทาให้ความไม่มั่นใจนะหมดแต่จิตใจไปส่งไปที่ผลหมด มันมีหลายอย่างเพราะถ้าเราไม่เคยทํานะถ้าเราไม่เคยทำนะัเราจะไม่มั่นใจเราลองท้าทายดิรู้สิเราลองทำรู้สิผลจะเป็นยังไง <Yeah. S 1> ความกังวลต่างๆบางทีมันไม่เกิดขึ้นหรอกเรากังวลมากมายที่ทําไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็จะไม่มีก็ได้มราต้องกล้าลองกล้าทำถ้าสิ่งนั้นคิดว่ามันดีแล้วยิ่งงานที่ไม่เบียดเบียนใครเนี่ยเราทําได้ดีมากถ้าคิดจะเบียดเบียนใครเนี่ยต้องแอบ งงหลบซ่อนเป็นอสุรากายไม่กล้าแสดงตัวนะอสุรากายถ้าคนกล้าหาเน่ยสิ่งนั้นทําความดีทําความถูกต้องไม่มเบียดเบียนกายเนี่ยมันจะมีความกล้าหาญในการกระทําทัวเป็นการฝึกเป็นการฝึกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมไม่เคยมาพูดธรรมะแบบนี้นะไม่คิดว่าจะกล้าที่จะพูดที่นู่นที่ได้เพราะไอ้ความคิดบอกวมันคงจะไม่ดีมั้งเราเป็นคนพิการควรจะทำอะไรไม่ได้ แต่ละาคิดว่าสิ่งที่เราทํามันคืออะไรอ้อมันมีคุณค่านี่เนะเราพูดธรรมะให้ประสบการณ์ให้คนรู้คนอื่นเนี่ยมันมีประโยชน์เนี่ยมองที่คุณค่าที่เราทำเนี่ยมันกล้าโดยที่เราไม่รู้เรากล้ามาได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เชิญลงเราก็ไม่ลงแนละ้วเราก็นั่งคุย <c oughs> กล้าพูดเพราะสิ่งที่พูดมันมีคุณค่ามันต้องพูดมันต้องพูดเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนพูดไม่มีตัวตนในการพูดแต่พระธรรมสั่งให้พูด <c oughs> เป็นปากของพระธรรม ไม่ได้เป็นอาจารย์กรรพลไม่ได้เป็นคนพิการเป็นแค่ปากของพระธรรมเอาพระธรรมมาบอกกันท้าเองเรามองให้ผลประโยชน์ได้กับพระธรรมซะเราจึงได้กล้าในทุกสถานการณ์ครับมีคำถามจะถามสดอีกไหมครับครับเชิญที่ไมโครโฟนก่อนเลยนะครับสามารถส่งกระดาษได้เพิ่มเติมด้วยนะครับ ครับอาจารย์กำพลนะคะ อ, อ, อยากจะเรียนถามคือว่าสำหรับการดูแลผู้ป่วยเนี่ยคะ่ะที่บางครั้งเนี่ยคือท่านเองท่านก็สูงอายุแล้วก็ไม่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเราอะนะคะก็เลยส่งผลทำให้ท่านเนี่ยเป็นโรคอื่นๆตามมาเียคะ่ะคือเราเราควรจะทำยังไงดีเียคะ่ะก็ดูแลใจเราก่อนนะ คนอื่นก็ดูแลใครก็ตามเขาไม่เชื่อไม่อะไรก็อย่าเพิ่งไปเครียดไปโกรธทําใจแล้วให้ดีซะก่อนทําใจเราให้ดีแล้วก็โอกาสว่าเราช่วยเขายัางไงบางครั้งเขาอาจจะไม่พร้อมก็าอาจจะโกรธอาจจะอารมณ์ไม่ดีตอนนั้นเราช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกแล้วเขาจะอารมณ์ไม่ดีตลอดทั้งวันทั้งคืนเชหรือนะบางทีก็าอารมณ์ดีเราก็แทรกว่าไอตอนอารมณ์ดีเราก็พยายามไม่ใช่พยายามบีบคันะ้นไออารมณ์เสียนะ ค่อยๆกล่อมแล้วก็แนะนำสิ่งที่ดีๆหาเรื่องมาเล่าต้องพูดจามากหน่อยแบบครูครูพูดกับเด็กต้องเสียงดังกว่าเด็กต้องพูดให้มากกว่าเด็กมันจึงจเอาชนะเด็กได้นะดูต้องดูอารมณ์เขาก่อนแล้วก็ค่อยๆต่ออรมเสียอารมณ์ไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปบีบคั้นค่อยๆบอกเนะี่ยค่อยๆบอกค่อยๆค่อยๆแนะนาําทําเป็นตัวอย่างชวนเขาทํานำะค่อยดูทิศทางลมนะ ต้องยอมรับถ้าเขาไม่ทำไม่ทำก็คือไม่ทำเขาก็สบายใจที่เขาไม่ต้องทำเราก็สบายแต่ต้องเขี้ยวเข็นบางค่ั้มันก็เป็นโอกาสอย่าไปคาดหวังเยอะเกินไปผู้สูงวัยสูงอายุไม่ใช่ไม้แก่นะเป็นไม้ผุไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากแต่ไม้ผุอย่าไปดัดประคองประคองไว้ให้เขามีความลาบากน้อยที่สุดที่หลือน้ที่สุดอง ใช่เขาเ็นประโยชน์หรือเข้าใจดีเขาก็จะเชื่อเราเองบางครั้งเขาก็อยากจะทาตามเราแต่เพราะทิฏฐิมานะมันทาตามต่อหน้าไม่ได้บางทีเขาก็ต้องแอ บ, บๆอบทำเขาอยากจะทาตามแต่คาพูดงเราบางทีอาจจะทาให้เขาถูกบีบคัน้น<ม>เราไม่ต้องไปบีบคั้นเขาเราเราค่อยๆทำตัวอย่างให้ดูสะทำตัวอย่างค่อยพูดคุยแนะนำดูสภาพจิตใจเขายอมรับหรือเปล่าเขาเปิดใจไหม ถ้าก็าเปิดใจเราค่อยทําสิ่งที่ดีๆต้องใจเย็นพอใจเย็นแล้วใจดีด้วยต้องมีความสุขเนะีต้องใจดีใจเย็นรู้จักยืดหยุ่นชีวิตต้องยืดหยุ่นชีวิตไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมันขาดมันเปร่าเห็นไหมเส้นเลือดที่ไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมันเปราะมากอย่างผมเนี่ยโอ้เส้นเลือดผมนี่มันเปราะ เนี่ยเมืม่อวันตื่นก็จะมานี่ก็ไปทําอะไร CT ทีสแกนเนี่ยก็ต้องเจาะเส้นเลือดเพื่อจะอะไรฉีดสารไอโอดีนเข้าไปเนี่ยพยาบาลนะมือหนึ่งของติดดีลา่าเลยเจาะปับะ๊บออโอแตกแล้วคุณลงุงแต่ก็เจาะใหม่ดีครับเขเจาะอีกรูนึงโอแตกแล้วคุณลงุงก็เจาะใหม่สิมาเจาะรูที่3มแตกแล้วคุณลุงก็เจาะใหม่สิ แลนะข้อปะคุณลุงท่านหนูเจาะีกทีถ้ามันแตกเนะี่ยหนูต้องเปลี่ยนตัวเลยนะนะหนูทําใจไม่ได้เพราะลุงเจ็บเลือเกินหนูขอเปลี่ยนเป็นคนอื่นมาเจาะแทนได้ไมบอกโอ้โหนี่ทิ้งเราเลยอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะมาเจาะที่สี่แตกอีกเลยเจาะเป็นที่ห้าไอทีสี่อันนี้บัวหมดเลยเสื้อ ม, มันแตกมันเปลาะมากเนะี่ยเจาะครั้งที่ห้าคนใหม่มา คงจะไม่รู้เราเป็นยังไงนะทำใจดิเดียวหนะ้าตาก็ดีคนจะได้เจาะปุ๊บได้เลยนะเขามีเทคนิควิธีอย่างคนที่เส้นเลือดเปล่อยเงี้ยให้เขานอนเจาะดิเดียบอกว่าให้นอนเจานะถ้านอนเสร็จแล้วเลือดมันจะได้จะได้ผ่อนจะได้เคลื่อนไหวได้ง่ายแล้วก็เส้นเลือดมันไม่เกร็งการนอนเจาะเนี่ยผมนอนเจาะทีไรไม่ค่อยมีปัญหานี่ผมบอกว่านอนเอาไหมเ้าก็น่าเครียดเราก็ไม่กล้าจะบีบคั้นก็นะเขาบอกอนั่งเนี่ยนะคุณลุงอนั่งก่อน มแตกสี่ครั้งบวมหมดเลยเนี่ยนะพอบอกท่านนอนเจาะแล้วเนี่ยมันก็หมดปัญหาเลยไม่ต้องเจ็บถึง5้าครั้งมันเป็นประสบการณ์มันเป็นมันเป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องเรียนรู้และมาบอกกันบอกการนอนเจาะเส้นเลือดที่มันแตกเนี่ยมันทําให้เจาะได้ง่ายนี่เพราะว่าเส้นเลือดมันไม่ยืดหยุ่นมันจึงเปราะมันจึงแตกได้ง่ายเพราะชีวิตเราเหมือนกันนะ ถ้าเคร่งตึงอยู่เรื่อยๆอะไรก็ไม่ได้ต้องอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยเราเองก็จะแตกจะเจาะตัวเองไม่ได้ต้องรู้จักยืดอยู่ในชีวิตต้องถึงข้าวยืดอยู่เนอะไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเอาไว้ข้าวหน้าก็อนแหละยืดยุ่นไปเถอะชีวิตเรามันต้องแบบนั้นอย่าไปตึง <c oughs> <c oughs> เราจะได้รู้จักที่จะปรับใช้กับชีวิตจริงในโลกนี้เป็นโอยแองแองอนิจังมันไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรอกอย่าทําอะไรให้มันเที่ยง ถ้าเทียงเมื่อไหรเราจะเดือดร้อนเราต้องยืดหยุ่นตามการและเวลามาบ้างเสียบ้างนะไม่ใช่ว่าทุกครั้งไปบางครั้งก็ต้องยืดหยุ่นเมื่อเด็กมันดื้ออให้เด็กใจดีนะใครประหลอกมันใครสอนมันคนแก่ดื้อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอคนแกอารมณ์ดีก็ค่อประลอกค่อยสอนมันต้องยืดหยุ่นเราก็เหมือนกันนะเวลาเราอารมณ์ร้ายใครมาบีบคั้นเราก็ไม่ชอบแต่เราอารมณ์ดีดีให้ทุกอย่างเลยเหมือนกัน เนี่ยคนเรานิสัยชอบบ่ายอทั้งนั้นแหละยอะบ่อยๆเดี๋ยวนั้นก็ได้ดูจังหวะในการยอให้ดีๆเลยรับรองมันได้หมดครับขอเป็นคําถามที่อยู่ในส่งเป็นกระดาษมานะครับเอย่าเลยเศษโมนะปุเจ้าจะฉันนะ<อ>เนี่ยผมปรับฐานดีกับพระคุณเจ้านะพระคุณเจ้า <c oughs> ที่มาวันนี้ฉันมือเดียว<อ>ครับฉันตั้งแต่แปดโมงครึ่งเรียบร้อยครับ ทำไมไม่ช่วยกันบ้างออยากให้ได้ประโยชน์เยอะๆครับอาจารย์เราบอกเอาพระมาขู่เลยครับผมครับมีสามคำถามนะครับกับเรียนถามอาจารย์เด็กสมัยนี้มักมีความเห็นผิดผู้หญิงผู้หญิงยังไงครับคือแบบประมาณว่าผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนผู้ชายแบบนี้ ทำตามๆกันเราจะมีวิธีสอนอย่างไรแล้วเป็นการผิดเสียมข้อสามหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ปัญหาใหญ่เลยเนี่ยผมก็แปลงง์เงนผมเกิดมางงแล้วผมผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> ยังดูไม่ออกเราผู้หญิงผู้ชายเ <c oughs> นี่ยบางทีเออนี่ยเขาไม่รู้บางคนผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญ <c oughs> ิงรำล้ว่าใครเป็นใครนะ <c oughs> นี่ต้องมองหน้านานๆก่อนฟังเสียงดูอาการต่างๆจ <c> ะ <oughs> รู้ว่าอ๋อเนี่ยเขาผู้หญิงเป็นเขผู้ชาย พิสูจนข้อตามเนี่ยข้อสามมันกําหนดอย่างไรนะข้อสานี่หมายถึงบุคคลที่มีผู้มีผู้ปกครองมีครอบครัวหรือมีเจ้าของเนี่ยยุ่งเกี่ยวไม่ได้เนี่ยตอนนี้เขาเอาขอบเขตกันแค่ไหนล่ะถ้าเป็นเพื่อนกันทําไมจะไม่ไดเ้เป็นเพื่อนกันก็ก็หมายถึงว่าคบค้าเป็นเพื่อนกันคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนกันก็ได้ เราต้องดูว่าเขาเนี่ยมีเจ้าของไม้ไอเรื่องการแต่งงานเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงก็แต่งงานกันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะ <c oughs> ไม่เคยเห็นนะเนี่ยคาว่าสี่ข้อสามอย่ามองว่าผู้หญิงผู้ชาย<ๆ>เพียงแค่เราไปเอาของรักของห่วงของคนอื่นเนี่ยก็ถือเป็นการผิดแล้วปากกาสักด้ามห น, นึ่งเนี่ยเขาลกเข้าวหวงไปเอาเข้ามาเนี่ยก็ผิดนของที่เขารักใคร รักใคร่หรือมีเจ้าของเนี่ยแปลงเข้ามาก็คือผิดเนียอย่าว่าเป็นบุคคลเลยแม้แต่สิ่งของก็เหมือนกันนะถ้าเขารักเขาหวงสิ่งนี้ปับ๊บเราแปลงเข้ามาเนี่ยเราก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายผูชาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเดียวกันมาลงก็เห็นที่ว่าของนั้นเขามีเจ้าของไหมเนี่ยมีเจ้าของมีคนรักคนหวงไหมเราไปเอาเข้ามามันก็ผิดตินข้อสามมันผิดที่ใจเรา คิดอยากจะแย่งของคนอื่นเขาเดี๋ยวนี้ก็ยังคํานึงด้วยหรือสินข้อสามอนะ่ะเดี๋ยวนี้สักข้อเห็นมีใครก็หนึง่งที่ข้องเป็นเรื่องธรรมดาไปทั้งหมดแล้วนะแมะ้การสอนศีลธรรมทีท่นี้มันไปไม่ค่อยทันกับโลกสมัยปัจจุบันนะี้มันรุดหน้าจกนกระทั่งขาดศีลธรรมนะมีอะไรแปลกๆไม่ใช่เพียงแค่นี้นะต่อไปไปดูเละถ้าใครมีชีวิตอยู่มาก คู่กับโลกนี้เราก็จะรู้อะไรมันดับเบิลหรือว่าปลาจนกระทั่งเรารู้มันมีขึ้นมาได้อย่างไรนะเดี๋ยวนี้แฝดหกนี่โอโ้โหเห็นไหมโอ้โหแฝดหกคนเป็นพ่อแม่ควจะภูมิใจเนาะมีล่วมมาแฝดหกคนนอเป็นได้ตะกร้อทีมทเลยเนะี่ย <c oughs> มันมีอะไรแปลกๆนะเนี่ยเพราะนั้นต้องต้องเรียนรู้เรียนรู้บางทีเราก็บังคับให้ตามกฎเกณฑ์ของ ของเราไม่ได้ต้องเป็นไปนตามโลกแล้วก็ปลักคองให้เขาอยู่อย่างมีความสุขให้เขาไม่มีความทุกข์ให้เขาไม่เบียดเบียนกันกนนน็เอาไว้ก่อนนย่าเงี้ยเอาไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้เรียกว่าทำตามทาตามสมัยกันเีอยจนลืมว่าไม่รู้คนนี้เป็นคนไทยหรือคนเกาหลีกันแ น, ะน่เจอหน้าวัยรุ่นโอนี่มันคนไทยหรือเกาหลีไม่เรียนแบบเกาหลีทั้งหมดลืมของไทยดั้งเดิมซึ่งแลาดูมันหน้า น่าน่าจะเอาทําตามมากกว่าใครรักเอาของหวงอื่นมาครอบครองก็คือผิดศีลข้อตามครับผมจะขออนุญาตเอาสองคำถามที่ส่งมานี่เป็นสองคำถามสุดท้ายนะครับเนื่องจากเราจะช่วยรักษ า, าธาตุขันท่านอาจารย์ ให้เป็นอุปกรณ์สอนธรรมกับพวกเรานานๆนะครับมากกวนี่ก็ได้นะคําถามต่างๆมีประโยชน์สำหรับผมนะมีประโยชน์สำหรับผมที่จะได้เรียนรู้ว่าเดี๋ยวนี้ปัญหามีอะไรบ้างเหมือนคุณหมอที่จะรักษาโรคเก่งก็ต้องเรีรู้จักคนไข้หมอที่รักษาเก่งชานาญเนี่ยมีคนไข้เยอะๆและอาการสาหัสหมอจึงรักษาโรคได้เก่ง ผมก็ได้ยินคำถามต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์คำถามเหล่านี้เราได้เรียนรู้ว่าออกเข้าไปถึงไหนแล้วแล้วคนคำถามต่างๆเนี่ยปัญหามันกค็คล้ายๆกันปัญหาหคล้ายกันบางทีอาจจะมีวิธีแก้ที่อาจจะเหมือนกันหรือจะแตกต่างกันนะตามสบายไม่เป็นไรปรโ า, าสาธุนะครับ เมื่อพระคุณเจ้าฉันมือเดียวดังนั้นญาติธรรมฉันได้ทุกเวลานะครับดังนั้นก็วันนี้อาจารย์เปิดกว้างนะครับยิ่งเชิญสมคําถามขึ้นมาได้อีกเลยนะครับต่อไปอ่านคําถามต่อไปจะเอาตายเลยความเมตตาของครูบาอาจารย์มีให้แก่เรานะครับอยากทราบว่าตอนอาจารย์ปฏิบัติอาจารย์ตามรู้ตัวอย่างเดียวต่อเนื่องหรือมีการทําในรูปแบบคือการนอนสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยคะเรื่องเดียวเรื่องเดียว เดินจงกรมก็มีนะจะเลาา่าให้ฟังเรื่องเดียวรู้ตัวอย่างเดียวพอไม่ได้ทําสมาธิเลยไม่ได้ทําอะไรที่ผิดแปลไปยากความรู้ตัวเลยในความรู้ตัวนั้นเนี่ยอย่างผมเริ่มต้นจากการนอนพลิกมือเล่นเนี่ยนอนพลิกมือเล่นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะภาวนาอย่าง อ, อื่นได้เป็นกรรมฐานที่หลวงพ่อคำเขียนแ น, นนะนําำให้นอนพลิกมือเล่นพลิกมือเล่นนะอย่าไปจริงจังเพียงแต่ว่าอย่าไปความคิด เวลามันคิดก็อย่าไปความคิดให้รู้ตัวไว้เวลามันคิดอีกก็ให้รู้ตัวว่าอย่าไปความคิดแล้วเราจะเห็นความคิดไปเองม ไ, ไม่ต้อไปดูจิตไม่ต้องดูความคิดหรอกมีความรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวล้วนๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีความคิดมันแทรกเป็นสิ่งแปลกปลอมของความรู้ตัวเราก็เห็นสิ่งแปลกปลอมได้ง่ายเหมือนผ้าขาวมีจุดจุดหนึ่งแล้วก็มองเห็นจุดนั้นได้ชัดเจนรู้ตัวอย่างเดียวในการนอน เคลื่อนไหวในนี่คือรูปแบบของเราซึ่งหลวงพ่อกำเขียนแนะนํามาแล้วเราก็ใช้วิธีอื่นแล้วไม่ใช่นอนพลิกมื อ, อ่เดียวเราต้องพลิกตัวพลิกตัวทางซ้ายเราก็รู้ตัวเคลื่อนไหวมาทางขวาเราก็รู้ตัวรู้ตัวในการใช้ชีวิตอยู่บนเตียงนั่นแหะจะพับผ้าห่มก็รู้ตัวจะแปลงฟันก็รู้ตัวล้างหน้าขับถ่ายปัสสาวะกุจระบนที่นอนเราก็รู้ตัว ต, วตลอด อิเลียบท่างๆเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้ตัวได้ง่ายๆมากเพราะเราไม่ต้องไปทําอย่างอื่นมันก็มีความคิดแทรกแต่เราก็ไม่ได้ไปนสนใจกับมันเพราะไม่ใช่เรื่องความรู้ตัวความคิดเรื่องความหลงลืมตัวแล้วก็รู้ตัวกับการเคลื่อนไหวของเราเมื่อเราจะคิดแล้วเราก็คิดได้ด้วยความรู้ตัวของเราไม่ได้เอาความคิดที่มันลักคิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปเชื่อมันไม่ใช่นั่นมันเป็นสิ่งที่แปลกบอมถ้าเราจะคิด เราก็คิดด้วตัวของเองด้วยความรู้ตัวก็ทำอยู่แค่นี้ในขณ ะ, ะที่มีความรู้ตัวเนี่ยมันมีสมาธิอยู่แล้วในตัวไม่ต้องไปทำสมาธิแล้วก็ลืมความรู้ตัวบางคนทำสมาธิสงบนิ่งเงียบมันไม่รู้ตัวสมาธิแบบหลงลืมตัวนะมีไหมแข็งทื่อซึมแล้วเวลาออกจากสมาธิก็โกรธเหลือเกินโกรธหนักนั่นเป็นสมาธิเลยเนี่ นั่นล่ะคือสมาธิแบบไม่รู้ตัวในความรู้ตัวเนี่ยมันมีสมาธิในตัวแล้วถ้าขาดสมาธิมันก็ไม่รู้ตัวหรอกนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความรู้ตัวเนี่ยมันนำหน้าสมาธิมันมาตามหลังมันเกิดด้วยกันเป็นองค์ธรรมที่เกิดด้วยกันจิตที่จะรู้กับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันต้องมีสมาธิส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่มากไปกับความรู้ตัว มีความรู้ตัวนำหน้าและมีสมาธิตามหลังมีอยู่แล้วในตัวเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปทําสมาธิมีความรู้ตัวมันก็ใช้ได้แต่ต้องรู้แบบผ่อนคลายแบบเล่นๆแบบสบายๆมันก็มีความผ่อนคลายเป็นสมาธิที่ผ่อนคลายพอรู้บ่อยๆเนี่ยจิตมันก็ตั้งมั่นเป็นจากความรู้ตัวกับสมาธิเป็นผู้ดูดูอะไรดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่มันคิดนึกดูอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านมา เลยกลายเป็นผู้ดูพัฒนาจากความรู้ตัวนแล้วเกิดเป็นสัมมาสมาธิจิติตั้งมั่นกลายเป็นผู้ดูแบบไม่ไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ผู้ดูเป็นเสมือนกระจกกระจกเงาที่สะท้อนเงาเรื่องราวต่างๆอยู่ในกระจกแต่กระจกก็ไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเลยเนะเราไปยืนหน้ากระจกกระจกก็ไม่ได้เป็นเราเนะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในกระจก มันเป็นภาพสะทอ้อนออกมาความรู้ตัวเหมือนกระจกที่รับรู้อะไรได้หลยอย่างเวลาเจอลมดีจิตมันก็ไม่หลมไปกับความอารมณ์ดีแต่รู้ทันอารมณ์ดีเวลาอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นจิตก็รู้เท่าทันอารมณ์ร้ายแต่ไม่ได้ร้ายตามอารมณ์นะมันเป็นกระจกเงาที่สะท้อนทุกอย่างนะจิตที่รู้ตัวจะเป็นอย่างนั้นจะกลายเป็นผู้เห็นจากผู้รู้กลายเป็นผู้เห็นนะมันก็ปลอดภยัย และการเดินจงกรมเราก็ไม่ได้เดินเราก็แอ บ, บดูพ่อเดินจงกรม kiego, พ่อผมเป็นคนทนะี่ขยันหนักขยันปฏิบัติอยู่ที่สวนอยู่ที่ไร่เนี่ยพ่อเดินใต้ต้นกระท้อนกลางวันเนี่ยลงไปแต่ต้นกระท้อนเดินจงกรมแล้วก็แอ บ, บดูอ๋อพ่อเดินจงกรมก็เดินเท่าไหร่เราก็รู้สึกทำความรู้สึกตัวตามที่พ่อเดินรู้สึกตัวตามเราไม่รู้เราบวชเท่ากับโตพื้นเป็นยังไงการเครื่องไรเป็นยังไง แต่รู้ว่าเรากําลังรู้สึกตัวการรู้สึกตัวว่าพ่อเดินจงกรมรู้สึกตัวมันมีความรู้สึกตัวในการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเห็นไหมแอบอาศัยพ่อเดินจงกรมแล้วเราก็รู้ตัวว่าเรากําลังรู้ตัวว่าพ่อเดินจงกรมเนไมันก็เดินด้วยใจเดินด้วยใจเนีแต่เราก็ไปด้วยล้อ ถ้าไม่มีล้อรเราก็ไม่ได้เดินได้เดินได้ใจคือเดินด้วยความรู้ตัวการพัฒนาจิตไม่ใช่พัฒนาการเดินไม่ได้พัฒนาอารมณ์แต่พัฒนาความรู้สึกตัวทัว้งหลาเมื่อมีความรู้ตัวแล้วมันจะเกิดเป็นปัญญามันจะรู้ทันอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเราว่ามันเที่ยงแท้แค่ไหนมันแน่นอนไหมบังคับบัญชาได้หรือเปล่ามันจะเข้าใจถึงไตรลักษณ์ในความรู้ตัวมันพัฒนา จนเป็นผู้ดูและเกิดปัญญารู้ความจริงว่ากายก็ดีจิตก็ดีสิ่งทั้งหลายข้างบนโลกนี้ก็ดีมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นมันได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยถ้ายึดเมื่อไหร่แล้วก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นยึดเมื่อไหร่แล้วก็แบกมันเมื่อนั้นเราอ๋อมันยึดไม่ได้แต่เราเกี่ยวข้องกับมันได้ด้วยความรู้ว่าสิ่งนี้ต้องเกี่ยวข้องได้ขนาดไหน ความสุขมาเออความสุขผ่านมาแล้วก็รู้ท่าทานอย่าไปยึดว่าเราต้องสุขอย่างนี้เสมอไปและความสุขมันก็เปลี่ยนปแปลงเราก็จะเป็นทุกข์เมื่อความทุกข์ผ่านมาอ๋อความทุกข์มันผ่านมาและมันก็ต้องผ่านไปเราก็ไม่ยึดติดในความทุกข์มันเป็นชั่วคราวชั่วขนาหนึ่งชีวิตเราเป็นของชั่วคราวคู่ของเราก็เป็นคู่ชั่วคราวทุกอย่างเป็นชั่วคราวทั้งหมดมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเอาจริงเอาจังาจากับมันไม่ได้ ในโลกนี้ไม่มีอะไรจริงจังกับเราแม้แต่ชีวิตของเราก็ไม่เคยจริงจังกับเราถ้ามันจริงจังกับเรามันก็ต้องเชื่อเราเนี่ยบอกให้มันเดินมันก็ไม่เดินคนอื่นช่วยกันให้เราเดินมันก็ไม่เดินหมอก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้แต่เราไม่เดินก็คือไม่เดินเราก็รู้ทันมันไม่เดินก็ไม่ต้องเดินก็ได้ทำไมต้องเดินได้ด้วยในเมื่อไม่ต้องเดินก็มีคนอุ้มอยู่แล้วก็สบายนรู้จักใช้อุปสรรค ให้เป็นอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตบ้างครับคำถามต่อไปนะครับผู้ที่มีความรู้ตัวเป็นลูกโซ่จะมีความฝันอยู่ไหมครับมีทั้งนั้นแหละถ้าเรายัางจิตยังไม่ถึงพร้อมยังไม่ตั้งมั่นยังไม่เข้มแข็งพอถึงเวลานอนหลับไปมันก็จิตมันก็ต้องทำหน้าที่ของมัน ในความฝันนั้นมันอาจจะเป็นฝันที่เราไม่รู้จักไม่รู้ตัวก็ได้ทําไมเราจึงรู้ว่าฝันทําไมเราจึงรู้ว่าฝันเพราะเราย้อนคิดใช่ไหมมาเออนี่เราฝันแสดงว่าไอ้ตอนฝันเราไม่รู้ตัวคือธรรมชาติของความฝันเนะี่ยอย่าไปแปลกใจอะไรเลยว่าจะฝันเรื่องจะสนใจเลยจิตมันมีไที่เก็บ สะสมอารมณ์เอาไว้นะจิตเมที่เก็บสะสมอารมณ์ทั้งบุญแล้วก็บาปทั้งกิเลสแล้วก็ปัญญามันเก็บเอาไว้ถึงคลามันมากขึ้นมันก็จะคลายออกไปเองในตอนกลางคืนมันก็คลายเป็นความฝันในตอนกลางวันมันก็อึดอัดอั้นตันใจกลายเป็นความคิดเป็นธรรมดา จิตมันสะสมกรรมและกิเลสเอาไวา้มันก็ต้องคิดเนี่ยมันก็ต้องฝันมันเป็นเรื่องของจิตหรือเป็นเรื่องของเรา <c oughs> มันเป็นเรื่องของจิตก็เรื่องของมันมันจะคลายแล้วก็เรื่องของมันแต่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ใช่จิตเราเ ป, เป็นแค่รู้เท่าทันจิตเท่านั้นในจะฝันหรือไม่ฝันในในความรู้ตัวมันไม่มีไม่มีความฝัน ไม่มีอะไรมันมีอิสระในความรู้ตัวอยู่ฝันก็ได้ไม่ฝันก็ได้แต่ในความฝันจะมีความหมายกับเราไหมถ้ามีความรู้ตัวมันก็ไม่มีความหมายถ้าหลงลืมตัวก็โอ้โหงวดนี้มันออกอะไรนะฝันถึงใครคนนู้นมาหาคนนี้ไปหาคนนี้จากไปก็เป็นจริงเป็นจังหมดก็คือความฝันคืออาการของจิตเท่านั้นเองไม่มีความหมาย ครับก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์กรมพนทองบุญนนุ่มแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะครับ